เอาสิงกะโปรมารอต้องชั่วโมงถวายของเสร็จก็ไปแล้วไม่ได้คยุยกันก็ามาทุกสามสี่เดือนก็มาครั้งมาทำบุญสามวันสองสามวันวั ด, ว, ด, ว, ดวัดมาวันบุญยาววาดที่นี่แล้วบางทีก็ไปวัดตสวการาน ชาวสิงคโปร์มาเลเซียเขารู้จักวัดปฏิบัติกันวัดอรสุการามก็จะมีงานประจำปีในช่วงเมษาเนี่ยยี่สี่ยี่ห้ายี่บหกก็มาหลายกลุ่มยิ่งยิ่งมีความจเจริญมากเท่าไหร่าศาสนายิ่งมีความสำคัญมากขึ้นทั้งนั้นเพราะผลยาพบว่าความจเจริญทางวัตถุ ไมได้ทำให้มีความทุกข์น้อยลงอาจจะความทุกข์ทางกายน้อยลงแต่ความทุกข์ทางใจนี้ไม่น้อยกลับมีมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นเพราะเราไปพึ่งวัตถุมากขึ้นยิ่งพึ่งวัตถุก็ยิ่งทุกข์เพราะวัตถุมันเป็นตัวทุกข์วัตถุมันเป็นของไม่แน่นอน เป็นของชั่วคราวที่เราจะต้องคอยหามาเติมอยู่เลยต้องคอยรักษาแล้วเวลาสูญเสียก็ทำให้เกิดความทุกข์กันสมัยก่อนคนไม่ค่อยจเจริญทางวัตถุก็เลยไม่ค่อยเครียดกันสมัยปู่ย่าตายายไม่ค่อยมีวัตถุเหมือนพวกเรา อยู่กับธรรมชาติก็ใจก็ไม่ไม่ต้องพึ่งวัตถุมากพอมีพอกินก็พ อ, อตกข่ำก็ไม่มีไฟฟ้าก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินอนกันไม่ต้องดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปเที่ยวเช้าตื่นขึ้นมาก็ออกไปทำงาน เ, าเป็นชาวนาชาวไร่ ทไปชีวิตก็ค่อนข้างที่จะสงบไม่วุ่นวายแต่สมัยนี้เราพิ่งวัดถูกกันเด็กใน่วุ่นวายตั้งแต่อนุบาลเลยเพราะต้องเคี่ยวต้องเข็นให้มีการเรียนการรู้มากขึ้นเพราะจะต้องเราควิชาความรู้ไปสมัครงานไปหาเงินหาทอง อันนี้มีการแข่งขันเรียนพิเศษกัน mm. เด็กนี่ได้เกรดดีกันเท่านั้นเชื่อไหมเด็ก mm. ได้เกรดสี่ mm. ถามว่าได้ตําแหน่งเท่าไหร่สิบห้าก็มีสิบหกก็มีโอหแล้วแล้ ว, ลว mm. พวกที่ได้ที่หนึ่งเขาได้อะไร mm. เขาก็ได้สี่เหมือนกันเนะี่ย mm. เรียนขนาดได้เกรดขนาดนั้นยัง mm. อตําแหน่งที่ก็ยัง สิบกว่าได้เพราะทุกคนเรียนพิเศษกันวเวลาสอบก็สอบได้คะแนนดีกันการแข่งขันเป็นการสร้างความเครียดแล้วถ้าเด็กที่สู้ไม่ได้นี่ก็ทำให้เด็กเกิดปมได้ขึ้นมาได้อาจจะทำให้มีความน้อยเนือ้อต่ำใจ ผิดหวังมากๆก็เด็กบางคนก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายกันยิ่งถ้าถูกทางด้านครอบครัวพ่อแม่กดดันด้วยทุกคนอยากรวยอยากสบายอยากเจริญในลาบยศสรรเสริญอยากเจริญในความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย ก็ต้องมีเงินทองเป็นตัวปัจจัยที่จะหาสิ่งต่างๆมาให้เสีมให้สัมผัสให้รับความสุขแต่ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขแบบควันไฟได้มาเสีได้มากน้อยเพียงไรมันก็จางหายไปหมดเพียงไม่กี่นาทีกี่กี่ชั่วโมงก็หายไปแล้ว ไปเที่ยวกันไปดูหนังกันออกมาจากโรงหนังก็ความสุขที่ได้จากโรงหนังก็หายไปแล้วความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอยากไปกินเลยอยากไปกินไ ป, ไ ป, นไปดื่มไปอะไรกันอีกใจต้องมีวัตถุคอยให้เสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าไม่สามารถที่จะหาสิ่งที่อยากจะได้ก็ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา หาได้มากเท่าไหร่ก็เบื่อทุกข์อีกแบบหนึ่งได้เศษบ่อยๆเข้าซ้ำซากก็เบื่ออีกไม่ได้เศษก็ทุกข์ทุกทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีความความสุขที่แท้จริงความสุขที่ทำให้ใจเรานิ่งสงบเย็นสบายนี้ไม่เกิดจากการได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ได้ทําให้จิตเราสงบทําให้จิตเรามีความสุขกันมีแต่จะทําให้จิตเราเครียดกันเพราะกระตุ้นต้องกระตุ้งจิตให้คอยเข้าคอยคอยคอยแสวงหาอยู่เรื่อยๆแสวงหาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอก็ไม่สงบ ความอิ่มความพอของจิตนี้อยู่ที่ความสงกและความสงบของจิตก็อยู่ที่การที่ไม่แสวงหาอะไรแต่ความจริงนี้ไม่มีใครรู้คิดรู้ว่าคิดว่าหามาได้มากๆแล้วจะมีความสุขมากๆมีความอิ่มความพอแต่ยิ่งหายิ่งอยากยิ่งหิวยิ่งได้มายิ่งหิว ได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอกก็อยากจะได้วาความอยากนี้ท่านท่านแสดงไว้ว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งกว่าะทะเลหรือมหาสมุทรทะเลมหาสมุทรยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งเลยได้เท่าไหร่ไม่มีวันพอ จะเอาเพิ่มมากขึ้นจะขยายตัวมากขึ้นไปเรื่อยๆคนเราจะมีเงินกำลันดนฟ้าไม่รู้จะมีไปทำไมเนี่ยมหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทอเมซอนเนี่ยเป็นคนที่มีเงินเกินหนึ่งเท่าไหร่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพันหนึ่งแสนล้านเหลียเนี่ยเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเนี่ย หนึ่งร้อยบิเลียนเนี่ยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยพันล้านก็เท่ากับหนึ่งแสนหนึ่งแสนล้านเหรียญถ้าคูณด้วยสามสิบบาทก็สามล้านล้านบาทมันมากยิ่งกว่างบประมาณในเมืองไทยของทั้งประเทศทรือเปล่าของมั้เนคนคนเดียวต่ออาสิติติเนี่ยคนรวย 1ิบเปอร์เซ็นั้งที่มีทรัพย์ที่มีเงินทองมากกว่าคนครึ่งโลกเงินเงินครึ่งโลกของคนครึ่งโลกนี้ไปอยู่กับคนรวยประมาณสิบเปอร์เซ็นเพราะวกนี้พอหาได้แล้วมันก็ต่อยอดได้เร็วยิ่งยิ่งมีเงินยิ่งมีอำนาจใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อเอื้อประโยชน์ของ ของของตนจ่ายเงินเดือนให้พวกนักการเมืองนักการเมืองต้องการเงินที่จะไปหาเสียงแล้วพอมาเป็นนักการเมืองก็มาออกนโยบายออกกฎหมายเพื่อกับผู้ที่สนับสนุนเพื่อจะไดะ้รับเงินสนับสนุนเป็นเป็นผลตอบแทนกัน วันนี้เขไม่ได้มาทำงานเพื่อเอาเงินเดือนอ่ะเงินเดือนไม่กี่ตังค์เดือนแค่แสนสองแสนเราเอาทีเป็นร้อยล้านพันล้านเอื้อต่อกันในพวกคนที่มีเงินเลยมีอำนาจเงินเป็นอำนาจสามารถซื้ออะไรได้หมดซื้ออย่างเดียวไม่ได้ก็คือความสงบเั่านั้นเอง ความสงบความสุขของใจนี่ซื้อไม่ได้แต่ให้มีเงินกองเท่าภูเขาความสุขที่ได้จากเงินกองเท่าภูเขาก็ซู้ความสุขจากการทำใจให้สงบไม่ได้ผู้ที่ไม่มีเงินอย่างพระสงฆ์องค์เจ้าพระอริยบุคคลท่านไม่มีเงินทองแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าเศรษฐีอันดับหของโลก พราะท่านได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือความสงบนัติสันติบลังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่เหนือกว่าความสงบเหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี่แหละเป็นความสุขที่ ด, ดีที่สุดที่อิ่มที่ทำให้ไม่มีความเครียดนอ ง, งเหนืออยู่ในจิตในใจ แต่ความสุขที่ได้จากสิ่งอื่นนี้กลับเพิ่มความเครียดพอได้แล้วก็หวงห่วงก็เกิดความเครียดที่จะต้องคอยดูแลรักษาแล้วเวลาสูญเสียไปก็เกิดความเครียดขึ้นใหม่เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าเศร้าใจขึ้นมา <c oughs> นี่คือเรื่องของ โลกโลกที่ไปพึ่งวัตถุก็จะมีแต่ความเครียดตามมาเสมอความสุขก็เป็นเหมือนความสุขที่หุ้มห่อความเครียดไว้บางๆผิวบางๆเหมือนกับน้ำตาลเคลือบยาขมยาขมนี่เขาต้องเคลือบน้าตาลเพราะเวลาเอาเข้าปาก ถ้ามันไม่มีน้ําตาลนี้มันมันจะคายออกกันทีมันจะเกินไม่เข้า<ม>ก็เลยต้องเครือมน้ําตาลไว้หน่อยให้มันมีรสหวานหน่อยเวลาลิ้นแตะรสหวานีก็จะได้เกินได้ถ้าไม่มีน้ําตาลเครือบมันขมนี่พอพอแตะลิานแตะรสขมนี่ก็จะเกินไม่ลงเกินไม่เข้าความสุข ที่เราได้จากวัตถุจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเนี่ยมันเป็นความสุขที่เป็นผิวบางๆเกลือความทุกข์เอาไว้แล้วเราก็มาทุกข์กับสิ่งที่เราได้ได้อะไรมาเราก็ต้องทุกข์กับมันเพราะว่ามันจะไม่คอยมันจะไม่ยอมอยู่กับเราไปเรื่อยๆมันจะคอยที่จะหลุดจากเราไป ลุดเร็วลุดช้าจากเราไปเร็วจากเราไปช้าหรือไม่จากก็เปลี่ยนคุณสมบัติคุณภาพจากคุณสมบัติที่ดีก็เสื่อมกลายเป็นของเสียไปของทุกอย่างเป็นอย่างนี้เพราะมันไม่เที่ยงอ น, นิจังอนัตตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ ไปสั่งให้มันเที่ยงไปสั่งให้มันดีไปสั่งให้มันอยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการเสื่อมมีการจากกันร่างกายของเราก็เป็นตัวอย่างอย่างเวลาเราได้มาใหม่ๆเวลาเกิดมานี้ร่างกายมันเจริญเติบโตมีแต่เจริญมีแต่โต มีแต่พลังสามารถสั่งให้มันทำอะไรได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวแต่พออยู่ไปเรื่อยมันก็เริ่มแก่ลงแก่ลงเริ่มเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เริ่มมีการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยไข้เจ็บเหลืองเรีอนแล้วเดี๋ยวก็ชำรุดทุดโทมอวัยวะเสื่อม ตับตายเสื่อมหัวใจเสื่อมปอดเสื่อมหรือมาฉะนั้นก็มีเชื้อโรคเข้ามาเบียดเบียนทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถึงแก่ความตายไป น, นี่ก็คือสิ่งที่เรารักที่เราหวงมากที่สุดคือร่างกายของพวกเราเพราะเราต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการหาความสุขจากวัตถุนั่นเองเราต้องมีตาถึงจะเห็นรูปมีหูถึงจะได้ยินเสียงมีจมูกถึงจะได้ดมกลิ่นมีลิ้นถึงจะได้ลิ้มรสมีร่างกายไว้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นรืร้อนหรือของแข็งของนุ่มอะไรต่างๆเรา หาความสุขจากสิ่งเหล่านี้กันแล้วพอเครื่องมื อ, อ ค, คือร่างกายเริ่มเสื่อมสภาพลงความความสามารถในการหาความสุขก็จะน้อยลดน้อยถอยลงไปเมื่อไม่สามารถหาความสุขได้ใจก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาเพราะใจอยู่กับความสุขเหล่านี้ พาไม่มีความสุขเหล่านี้มันก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วต่อไปร่างกายก็จะเสื่อมมากขึ้นเมื่อมากขึ้ น, นความทุกข์ใจก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตเวลาร่างกายตายไปมันก็ไม่ใช่เป็นการจบของปัญหาเพราะปัญหาอยู่ที่ใจที่ยังอยากจะเสพ วัตถุอยู่ยังอยากจะเสพรูปเสียงเกลิ่นรสดยังอยากจะได้ลาบยศสารเสริญอยู่มันก็ผลักดังใจที่ไม่ตายไปกับร่างกายนี้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้เสเรับเสเพกับรูปเสียงกลิ่นรสใหม่เพื่อที่จะได้มาหาลาบยศสารเสริญใหม่มาหาแฟนใหม่แล้วก็มาทุกข์ใหม่ ทุกข์กับสิ่งที่มาทุกข์กับการหาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการสูญเสียโลกนี้คือโลกของความทุกข์พระพุทธเจ้าให้สอนให้เราเหมั่นพิจารณาให้เห็นว่าโลกที่เราอยู่นี้สิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นทุกข์แก่จิตใจไม่ช้าก็เร็วเพราะมันจะต้องเสือ่อมมันจะต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องดับไป แล้วเราห้ามมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสพวัตถุกันไปหาความสุขอีกแบบนี่งความสุขที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเนี่ยความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบถ้าใจมีความสงบแล้วใจจะมีความสุขที่มากกว่าที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากวัตถุ ได้เงินทองมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านก็สู้กับได้ความสงบไม่ได้ได้ตาแหน่งในระดับไหนก็สู้ไม่ได้ได้รางวัลระดับไหนของระดับโลกระดับเอเซียระดับภูมิภาคได้รางวัลโนเบลอะไรก็สู้ได้ความสงบไม่ได้ ความสุขนี้ได้จากความสงบนี้มันยิ่งใหญ่กว่าดนั้นอยู่อยู่กับจิตได้ไปตลอดเพราะถ้ารู้จักทำให้สงบแล้วก็จะสามารถทำให้มันสงบไปได้เรื่อยๆ เ, เหมือนกับถ้ารู้จักขี่จั ก, กรยานนะมันก็จะขี่ไปได้เรื่อยๆไม่ต้องเดินถ้าขี่จั ก, กรยานไม่ได้ก็ต้องเดิน ถ้าขี่ได้ก็จะขี่ไปได้จนวันตายมีจักรยานก็ขี่ไปไหนมาไหนได้เพราะมันไม่ลืมเพราะมันจะอยู่กับใจการการทำใจให้สงบก็เหมือนกับการหัดขี่จักรยานเหมือนกับการหัดว่ายน้ำอย่างนี้พอว่ายน้ำเป็นแล้วมันก็จะว่ายได้ไปตลอด พานั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้มันก็จะสามารถทำใจให้สงบไปได้ตลอดเวลาเวลาที่ต้องการความสงบ ก, ก็สามารถทำให้ใจสงบได้แทนที่จะต้องไปเปิดทีวีดูไปเปิดตู้เย็นหาอะไรมากินมาดื่มหรือไปหาเพื่อนฝูงไปเที่ยวกันหรือไปเดินดูของในร้านขายของ จับจ่ายซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆความสุขเหล่านั้นสู้ความสุขจากการมาทําใจให้สงบไม่ได้นั่งเฉยๆหยุดความคิดให้ได้แล้วใจจะสงบใจจะมีความสุขใจจะไม่สงบด้วยตัวมันเองถ้าเราไม่คอยบังคับมันใจมันชอบคิดเหมือนรถวิ่งลงเขามันไม่ยอมหยุดวิ่ง จะทำให้รถลงเขาหยุดวิ่งได้ต้องเหยียบต้องมีเบรกถ้าเบรกแตกมันก็จะวิ่งไปเรื่องๆแหกโคง้งตกตกเว้วตกเขาไปใจของเราก็เหมือนรถที่วิ่งลงเขาไม่มีเบรกกันแล้วก็ไปตกเหวแหกโคง้งไปชนกันมีเรื่องมีราวกันก็เพราะเบรกแตกกันไปทะเลาะวิวาดกันไปมีปัญหากับคนนั่นคนนี้ ไม่มีปัญหากับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะหยุดใจไม่ได้หยุดความอยากหยุดความคิดไม่ได้หยุดความโกรธไม่ได้เวลาเห็นอะไรชอบก็อยากได้เห็นอะไรไม่ชอบก็อยากจะกําจัดมันแทนที่จะอยู่เฉยเฉยปล่อยปล่อยให้มันอยู่ของมันไปมันจะมาก็ปล่อยให้มันมามันจะไปก็ปล่อยให้มันไปไม่เห็นต้องไปยุ่งกับมัน แต่อดยุ่งไม่ได้เห็นอะไรขัดหูขัดตาก็อยากจะกาจัดนันเห็นอะไรที่ถูก อ, อกถูกใจก็อยากจะได้มาแล้วถ้าไปได้อยากได้เหมือนกับคนอื่นก็ต้องไปแข่งขันกันไปต่อสู้กันดีไม่ดีก็ใช้ไม่มีกฎกติ ก, กาใช้กฎของของสัตว์ป่า ใครมีกําลังมากกว่าใคร เ, เก่งกว่าก็เอาไปใครใครอ่อนแอกว่าก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดจากการที่ไปมีความอยากกับวัตถุไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี่สัตว์โลกทุกสัตว์ ทุกตัวที่มาเกิดในโลกที่มาเป็นมนุษย์นี้มีสัญชาติยานเหมือนกันหมดมีความอยากเหมือนกันหมดมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลต พ, พะมีความอยากในราบยศสรรเสริมมีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วก็จะดิ้นนนเพื่อที่จะทำตามความอยากกันแล้วก็ไปมีปัญหากัน เพราะว่าไปอยากได้สิ่งเดียวกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีการทะเละวิวาทกันมีการแข่งแย่งชิงดีกันมีการทำร้ายกันถ้าเป็นประเทศก็เป็นสงครามไปอันนี้โลกจึงมีสงครามมาตลอดศึกษาประวัติศาสตร์ของโลกแล้วไม่มียุคไหนสมัยไหนที่ไม่มีสงครามเพราใจของ มนุษย์ทุกคนมีความอยากเหมือนกันมีความอยากที่จะได้สิ่งเดียวกันก็เลยต้องมาแย่งกันเมื่อแย่งกันก็ไม่มีกฎกติกาอาศัยใครมีกำลังมากกว่ามีอาวุธมากกว่าก็เอาไปสมัยก่อนพวกประเทศในยุโรปเขามีอาวุธเขาก็มายึดครองประเทศในเอเชียไปหมด มาเลเซียสิงคโปร์อินเดียพมา่านี่เป็นของอังกฤษไปนะลาวคเมน้นก็เป็นของฝรั่งเศสไปนี่ปิ๊นปินสมัยก่อนก็เป็นของสเปนอินโดนีเซียก็เป็นของฮอลั น, น, นพวกฝรั่งเขามีปืนก็มีเรือเขานั่งเรือมาไกล แต่เขามีปืนใหญ่เราก็บอกเขาต้องการแผ่นดินอยาให้ของไม่ไม่ให้เขาก็เอาปืนใหญ่ยิงใส่บ้านยิงกันสองสามลูกเราก็ยอมแพ้แนละ้วเอาไปอยากจะได้อะไรเอาไปเนี่ย น, นี่คือความอยากของมนุษย์ที่ทำให้มีสงครามกันอันนี้ก็เป็นสงครามทางเศรษฐกิจใครสามารถที่จะผลิตสินค้าขายสินค้าได้เก่งกว่ากัน เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เกิดสงครามขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวฝ่ายที่สู้ไม่ได้ก็จะหากลยุทธ์แบบใหม่ขึ้นมา mm hmm. เดี๋ยวก็ก่อเรื่องกันหาเรื่องกันโลกมันจะไม่ปราศจากสงครามถ้าตามใดยังมีความอยากที่เหมือนกันอยู่ในจิตใจของทุกคนถ้าอยากจะให้โลกนี้ มีสันติสุขก็ทุกคนมาหาสิ่งที่ไม่ต้องแย่งกันสิมาหาความสงบเนี่ยมีอยู่ในตัวของเราทุกคนไม่ต้องแย่งกันอยากจะนั่งสมาธินั่งได้ตอนนี้นั่งได้ทุกคนแล้วได้ความสุขดีกว่าได้สิ่งที่สุดยอดของโลกไม่ว่าจะเป็นเงินทองระดับไหนก็ตามตำแหน่งระดับไหนก็ตามความสุขที่ได้สู้ความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ ความสงบนี้พวกเราสามารถหากันได้ทุกคนไม่ต้องไปแข่งแย่งชิงดีกันไม่ต้องไปทำร้ายกันไม่ต้องไปทำสงครามกัน <Yeah. S 1> แต่เราไม่รู้กันเราโง่กัน <Yeah. S 1> เราคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่ลาบยศสะรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสกัน <Yeah. S 1> เราก็เลยไปแย่งกันเพราะว่าโลกนี้มันมี ทรัพยากรจํานวนจํากัดมันไม่มีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วยิ่งมีคนมากขึ้นมีความอยากมากขึ้นการที่จะหาทรัพยากรก็จะหาได้ยากมากขึ้นเพราะว่ามันคนแย่งกันมากขึ้นเดี๋ยวก็ต้องไปมีเรื่องกันแหมแผ่นดินตรงไหนที่ไม่มีเจ้าของนี่ก็ไปจับจองกัน เกาะเกิด อ, อะไรในทะเลนี่ยไหมไปจองกันไหมแล้วก็ไปมีเรื่องแล้วเนี่ยในทะเลาะวิวาทกันหมู่เกาะ อ, อะไรแถวเนือแถวฟิลิปปินส์แถวสิงคโปร์นี่ก็มีทุกประเทศไปไปจับจองกันญี่ปุน่นฟิลิปปินส์จีนอินโดหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยอเมริกาก็มายุ่งด้วย กลัวเดี๋ยวจะไม่มีมากลัวจะไม่มีที่ที่จะมาะมาหาทรัพยากรนี่แหละคือเรื่องของปัญหาของโลกเกิดจากการหาความสุขจากสิ่งเดียวกันจากวัตถุจากทรัพยากรทางธรรมชาติ เราเอาทรัพยากรทางธรรมชาติมาผลิตสินค้าต่างๆมาผลิตติสสิ่งต่างๆมาให้เรามีความสุขกันแต่เป็นความสุขที่ที่สั้นๆได้มาแล้วก็เดี๋ยวก็หายไปแล้วของที่เอามาบางทีมันก็หมดไปของกินกินแล้วมันก็หมดไปของใช้ใช้ได้ปีสองปีก็เสียก็ต้องเปลี่ยนใหม่ ก็ต้องผลิตมากขึ้นต้องมีทรัพย์ใช้ทรัพยากรมากขึ้นต่อไปมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆทรัพยากรในโลกนี้ <c oughs> เดี๋ยวสงครามก็ต้องเกิด <c oughs> แต่ถ้าเราได้มาพบกับคนฉลาดคือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าเ้ยมีความสุขที่ดีกว่าอยู่ในตัวเรา เราไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกับใครเราไปหาที่เงียบๆอยู่ของเราแล้วก็ไปทำใจให้สงบหยุดความคิดเท่านั้นเองความคิดเนี่ยมันถ้าหยุดแล้วใจก็จะสงบแล้ววิธีหยุดความคิดก็มีพระพุทธเจ้าทรงค้นพบสิ่งที่จะหยุดความคิดเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดสติขึ้นมาในใจสติเป็นตัวหยุดความคิด ถ้าไม่มีสติก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสิ่งที่จะสร้างสติเครื่องสร้างสติก็เรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานสี่สิบชนิดด้วยกันมีอนุสติสิบมีมรณานุสติสิบมีเกสินสิบแล้วก็มีอะไรอย่างอื่นอีกสิบรายการด้วยกันถ้าอยากจ ะ, กะ ร, รู้รายละเอียดก็เดี๋ยวลอง ฐากนกูก้เดยกรรมฐานสี่สใส่เข้าไปที่เราใช้กันส่วนใหญ่เรียกว่าพุทธานุสติพุทธานุส ต, ติคือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็มีการระลึกได้หลายวิธีวิธีง่ายๆก็ให้ระลึกถึงชื่อพระพุทธเจ้าพุทธโทธพุทโธถ้าเราระลึกพุทธโธ ท, ท่องพุทธโธไปในใจเราก็จะห้ามใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นได้ กำลังคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้แล้วทาให้เราเศร้าใจก็ลองพุทธโธดูสิพุทธโธพุทธโธไปเดี๋ยวก็ลืมเรื่องที่ทําให้เราเศร้าใจพอไม่มีเรื่องที่ทําให้เราเศร้าใจใจก็หายเศร้าแค่นั้นเองของง่ายๆไม่ต้องไปแก้กับแก้ที่คนทําให้เราเศร้าใจแก้ที่ใจเราเพราะใจเราไปเศร้าก็ไปเศร้ากับเขาเองเขาไม่ได้ทําให้เราเศร้า ใจเราไปเศร้าก็ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาตายไปก็อยากจะให้เขาฟื้นอย่างนี้ไม่มีวันฟื้นเนอะตายไปแล้วอย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปคิดถึงคนตายตายไปแล้วก็ปล่อยเขาตายไปเราคิดเราหยุดคิดดีกว่าหยุดคิดด้วยการมาลํานึกถึงพุทธโธพุทธโธไปหรือบางคนทำพุทธโธไม่ได้ก็ให้สวดบทพระ พ, พุทธคุณไปก็ได้ สวดบทอิติปิโสภกากกวาอรหังสัมมาสัมพุทโธไปสวดไปหลายๆลรอบสวดไปจนกว่าจะหายเศร้าถ้ายัางเศร้าอยู่ก็ยังแสดงว่ายัางสวดไม่พอถ้ากินยาก็ยังกินยาไม่พอเวลาไม่สบายหมอให้ยามาพอกินเม็ดหนึ่งมันไม่หายทันทีหรอกต้องกินไปเรื่อยๆสองสามวันเดี๋ยวไข้ก็ลดอันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าอยากจะให้ใจเราหยุดคิดหยุดเศร้าหยุดเครียดก็ใช้พุทธโธพุทธโธไปใช้การสวดอิติปิโสไปหรือสวดบทอื่นก็ได้เพราะอนุสติสิบนี้มีอยู่ต้องสิบชนิดพุทธานุสติก็ก็อย่างหนึ่งธรรมานุสติก็อย่างอย่างจะท่องพุทโธจะท่องธรรมโมธรรมโมไปก็ได้ จะสวนบทสวาขาตูภักวตาธรรมโอไปก็ได้อันนี้เรียกว่าธรรมานุสติสังขานุสติก็เริเลิกถึงสังขคุณคุณของคุณสมบัติของพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ว่ามีอะไรบ้างท่านเป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปปฏิปันโนปฏิบัติปฏิบัติไม่รู้แปลว่าะไอุชุ ยายสามีจิตเนี่ยท่านปฏิบัติอยู่สีประการ้ดยกันสบัดปฏิบัติตรงอุชุปฏิบัติตรงต่อพระธรรมคำสอนยายะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์สามีสามีจิตสามีจิตปฏิบัติชอบนปฏิบัติอย่างถูกต้องเรียกว่าปฏิบัติชอบอุชุสุแปลว่าดีปฏิบัติดี ปฏิบัติดีก็เหมือนเด็กที่เรียนหนังสือดีได้คะแนนสอบได้เต็มได้ที่หนึ่งเรียกว่าปฏิบัติดีคือขยันเต็มที่ปฏิบัติเต็มที่ปฏิบัติตรงก็ตรงต่อคำสอนทุกประการไม่ไม่มีซิกแซกสอนให้นั่งสมาธิก็แซกไปทำอย่างอื่นนี่นั่งสมาธิก็นั่งสมาธิสอนให้เจริญปัญญาก็เจริญปัญญา สอนได้รักษาศีลก็รักษาศีลคือตรงต่อคําสอนไม่มีการอ้างนูน่นอ้างนี่ทำไมนี้มีการอ้างไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ใช้ปัญญาอย่างเดียวก็พออันนี้ย้วพระพุทธเจ้าสอนสมาธิไปให้มัเสียเวลาทำไม ม, มันต้องมันต้องมีต้องเรียนตรงต่อคําสอนมันถึงจะได้ผล แล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเพื่อมาเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อมารับลาบสักการะบางคนปฏิบัติได้นิดหนึ่งได้รู้ธรรมะหน่อยก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์สอนคนนั้นสอนคนนี้จะได้รับเงินทองได้รับรางวัลจากลูกศิษย์ลูกา้าได้รับการเคารพนับถือแต่ตัวเองยังไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ ยังทุกข์อยู่เพียงแต่ว่าเพียงแต่ได้ศึกษาพอจะเห็นอะไรบ้างพอจะเข้าใจอะไรบ้างแต่ยังไม่ได้เอาไปปฏิบัติเพื่อกำจัดต้นเหตุของความทุกข์ให้หมดไปจากใจ ก, ก็ไปทำตัวเป็นอาจารย์นะอันนี้เรียกว่าไม่ยายะปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติเพื่อหลุพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติเพื่อราบสการะเพื่อเป็นครูเป็นอาจารย์ ถ้าเป็นครูอาจารย์จริงต้องเป็นครูอาจารย์ของตนเองก่อนสอนตนเองให้หลุดพ้นจากความทุกข์ให้ได้ก่อนเมื่อตนเองหลุดพ้นแล้วทีนี้จะสอนใครก็ไม่มีปัญหาจะสอนหรือไม่สอนก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้ายังไม่หลุดพ้นเองไปสอนคนอื่นก็ตัวเองก็จะไม่มีวันหลุดพ้นเพราะจะไม่มีเวลามาสอนตนเองไม่มาปฏิบัติมาทํามาทาจิตของตนเองให้หลุดพ้น บัวแต่ไปสอนคนอื่นแล้วตัวเองก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะมันยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้กําจัดความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจความอยากสอนคนอื่นนี่ก็เป็นความอยากอย่างอยากใหญ่อยากโตอยากเป็นอาจารย์อยากอยากให้คนรู้ว่าเรามีความรู้ความสามารถ หรื อ, อยากได้เงินทองอะไรต่างๆจากการสั่งการสอนถ้าปฏิบัติแบบนี้ก็จบไปไม่รอดไม่ยายะปฏิปันโนแล้วก็สามีจิก็ปฏิบัติถูกต้องทุกประการไม่ปฏิบัติแบบผิดๆถูกๆญ า, านสติก็ต้องใช้กรรมฐานนั่งสมาธิก็ต้องมีสติกำกับใจ ไม่ใช่นั่งไปแล้วก็ปล่อยให้ใจปรุงแต่งขึ้นมาปุงอะไรขึ้นมาหลอกใจว่าเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมานั่งต้องมีสติคอยกากับใจน้องให้มีพุโทโธคอยกากับใจหรือมีการเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกไม่ใช่ปล่อยให้ใจคิดอะไรไปแล้วก็เพลิดเพลินไปกับสิ่งที่คิดหรือปาปรากฏให้เห็น เป็นผ้าบ้างเป็นแสงบ้างเป็นสีบ้างแล้วก็ไปคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่ไปนี่ก็เรียกว่าไม่ใช่เป็นสามีจิตปฏิบัติไม่ถูกต้องสุ ป, ปฏิปันโนก็ปฏิบัติดีก็คือปฏิบัติเต็มที่เวลาสอบก็สอบได้ที่หนึ่งเรียกว่าสุ ป, ปฏิมนโนอุชุก็ตรงต่อคาสอนทุกประการ ไม่มากไม่น้อยพระพุทธเจ้าสอนมาเท่าไหร่ก็ทําตามเท่านั้นไม่เพิ่มเติมีมีมคําสอนอยู่คำหนึ่งที่เขาสอนเลยว่าไม่ไม่ไม่เพิ่มอะไรที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนและไม่ตัดอะไรในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้เก็บรักษาไว้คงเดิมเหมือนเพราะของพระพุทธเจ้านี้เป็นทองคําแท้ไม่มีอะไรที่จะต้องตัดออก ไม่มีอะไรจะต้องเพิ่มเติมเป็นของที่สมบูรณ์เต็มที่เต็มร้อยไปตัดออกก็ทำให้มันบกพร่องไปจึงมีจึงมีปัญหาตามมาหลังจากที่พระพุทธเจ้าจากไปเนี่ยก็สงฆ์ก็เริ่มแตกแยกเป็นสองฝ่ายมีสงฆ์ที่อยากจะตัดคำสอนของพุทธเจ้าออกไปบางคาสอนคือทาสั่งข้อห้ามข้อห้าม ก็เห็นว่ามันไม่สะดวกต่อการที่จะไปเผยแผ่ธรรมะก็เลยแบ่งเป็นสองพวกอีกพวกหนึ่งที่มีผ้าอหารห้าร้อยลูกมาประชุมกันก็มีมติว่าให้คงไว้ทุกอย่างสิ่งใดพู้เจ้าสอนสิ่งใดพู้เจ้าสั่งให้ทาก็เก็บไว้หมดไม่ให้ตัดออกถึง แ, แม้พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้ว่าถ้าสงเห็นว่า ข้อห้ามอันใดที่มันมมันล้าสมัยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเก็บไว้รักษา mm. ก็ไม่ต้องเก็บก็ได้ถ้าไม่มีประโยชน์สงเห็นว่ามันถ้าไปตัดมันไม่รู้จะพระพุทธเจ้าไม่ได้กล่าวว่าข้อไห น, นพระพุทธเจ้าพูดไว้กับอ น, นุหนก่อนจะจากไปว่าถ้าข้อห้ามอันไหนสิ่ข้อไหนที่เรา ได้บัญญัติไว้ถ้าสงเห็นว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องรักษาก็จะยกเลิกก็ได้แต่ไม่ได้พระอานุนไม่ได้ถามว่าข้อไหน <c oughs> ไเลยไม่รู้ว่าพระเจ้าหมายถึงข้อไหนเพราะศีลมันมีหลายหลายข้อศีลที่เลิกไม่ได้ก็มีศีลที่เลิกได้ก็มีนั่นศีลที่เลิกไม่ได้ก็ปาราชิกสีนี่เลิกไม่ได้รวมหลับนอนกับสีการนี่เดี๋ยวถ้าเกิดสงามีมติ พ่าต่อไปพระร่วมหลับนอนกับศรีกาได้อดน๋ยวนี้มีแล้วเนะี่ยพระแคทอลิกนี่เขาเริ่มคิดกันแล้วเนะี่ยเขาเริ่มเพราตอนนี้พระแคทอลิกมีน้อยเนะี่ยเพราะคนมันไม่อยากจะบวชเป็นพระกันเพราะคนอยากจะมีเมียกันเนะีก็เลยมีมีความคิดเห็นแล้วว่าบางทีพระแคทอลิกต่อไปน่าจะมีเมียได้เหมือนกับพระของโปรเสตสแตนต์เห็นไหมพระโปรเตสแตนต์ น, นี่พวกพิเชอร์นี่เขามีภรรยาได้แต่ เขาก็ยังไปเทศได้วันเสาร์วันเข้าโบสถ์พระก็ไปคนที่เป็นพิชเชอร์เขาก็ไปเทศกลับบ้านเขาก็ไปนอนกับแฟนเขาได้มีลูกมีเมียได้อย่างนี้ก็เห็นว่าศาสนาจเจริญอยู่ได้เพราะว่าเพราะว่าพระมีเมียได้ต่อไปพุทธศาสนาก็จะ เ, เรียนแบบนั้นเชื่อไหมเพราะมันคิดแบบเดียวกันต่อไปถ้าไม่มีพระมาบวชจนะทำไง ก็อยากจะหาพระบวชกันใช่ไหมแต่ที่มาบวชก็ไม่ได้มาบวชมาปฏิบัตินื้มาศึกษาแต่ม า, มาบวชเพื่อมาทําพิธีให้ญาติโยมญาติโยมอยากจะมีพระมาทําพิธีมากกว่าไม่อยากมีพระมาสอนปากเปียกปากฉีกแบบที่นี่หรอกไม่อยากจะฟังเสียด้วยซ้ำไปอยากจะนิมนต์พระมาสวดวันเกิดมาทําบุญครบรอบวันตายแค่นี้เขาพอใจแล้ว ถ้าจะเป็นมีเมียแล้วไม่มีเมียเขาก็ไม่สนใจขอให้มาสวดให้เขาได้ก็พอนีต่อไปไม่แน่เนี่ยแต่ครังของเถรว่านี้ไม่ไม่มีวันเลิกได้เลิกข้อไหนไม่ได้เพราะว่าพราะอรหันห้าร้อยลูปที่มาประชุมกันสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทส่งนิพพานไปมาปรึกษาหาเลือกันว่าคําสอนต่างๆพุทธเจ้าเราจะทํากันยังไงดี จะเก็บรักษากันไว้อย่างไรดีมีจะควรจะเพิ่มเติมไหมควรจะตัดไหมแต่ทุกคนก็มีมติว่าของพระธเจ้านี่สมบูรณ์ทุกอย่างดีงามทุกอย่างสวยตั้งแต่ต้นสวยตั้งแต่กลางสวยถึงปลายไม่มีส่วนไหนที่จะต้องตัดทิ้งไปและไม่มีส่วนไหนที่จะต้องมาเพิ่มให้มันสวยงามกว่านี้ก็เลยสั่งห้ามหมดมะ คำสอนพระเจ้าทุกคำสอนให้เก็บไว้หมดอยู่ในพระไตไปิฎกเนี่ยศีลของพระศีลของภิกษุณีมีเท่าไหร่ให้เก็บไว้หมดไม่ให้ตัดทิ้งไปต่างกับพวกมหายานเนี่ยมหายานไม่รู้เขาตอนนี้เหลือศีลกี่ข้อก็ไม่รู้รู้สึกเขาตัดกันไปเรื่อย <c oughs> เขาไปเขาไม่บินตะบาาเขาก็ตัดข้อนี้ไปพวกพระมหายานเขาไม่บินตะบาดกัน เพราะเขาว่าอยู่เมืองหนาวออกไปบินธบาตไม่ได้เนี่ยพวกพระฝรั่งที่ไปเผยแผร่ธรรมะที่ประเทศอังกฤษเนี่ก็บางที่ก็ไม่ได้บินธบาตกันเพราะมันหนาวแล้วตามเนียมของเขาเขาไม่ให้ขอทานเขาเขาถือว่าการขอทานเป็นการบินการบินธบาตเป็นการขอทานผิดกฎหมาย ไปเดินมินทบาตในประเทศอังกฤษนี่ถูกตำรวจจับเข้าคุกได้กา ร, รเผยแพร่ไ ป, ปเผยแพร่บางบางที่ก็ไปไม่ได้เพราะมันไม่สามมันขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องมีวิธีดัดแปลงกันค่ญาติโยมมาใส่บาตรที่วัดกันใครอยากจะใส่บาตรก็มาที่วัดถึงเวลาพักก็ออกมาจากกุฏิออกมาจากที่พักมาเดินอยู่ใน อยู่ในวัดเนะ่ยอยู่แล้วก็ใส่บายกันตรงนั้นไปอันนี้ก็เรื่องของออพูดถึงกรรมฐานกรรมฐานสี่สิบให้ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะทำให้ใจหยุดคิดได้เพราะถ้าเราคิดอยู่กับบทสวดมนต์เราก็จะไปคิดถึงลาบยศจรละเสรินไม่ได้คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ แต่ถ้าเราถ้าสวดให ม, ใหม่ๆไม่มอยาก อ, อาจจะอยากสวดบทยาวแต่ถ้าสวดไปแล้วรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยก็หยุดก็ได้หรือหยุดหรือสวดบทสั้นแทนที่จะสวดอิติปโสอิติปิสโป ส, โสโก็เอาเหลือแค่พุโทโธพุธโทโธไปหรือถ้าใจมันไม่อยากจะคิดอะไรก็หยุดหยุดสวดได้หยุดพุโทโธได้คอยดูว่าใจมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือเปล่าถ้ามันไม่คิดก็ ก็แสดงว่าม <bin uk> <azo> ันไม่ต้องพุทโธก็ได้ก็เปลี่ยนการการพุทโธมาเป็นการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังเดินกําลังยืนก็ให้รู้กําลังทําอะไรกําลังแกว่งแขนกําลังยกขายกเท้าหันหน้าไปซ้ายไปขวาหรือกําลังรับประทานอาหารกําลัง ล้างถ้วยล้างชามกำลังกวาดบ้านถูบ้า น, านหรืออะไรก็ให้ใจอยู่กับงานของร่างกายไปถ้าใจเริ่มมีสติแล้วไม่ต้องพุทโธมันจะไม่คิดมากก็แต่ยังต้องคอยให้มันมีอะไรผูกไว้อยู่ถ้าไม่มีอะไรผูกเดี๋ยวมันก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวมันอดคิดไม่ได้ก็มีการเปลี่ยนการเปลี่ยนกรรมฐานได้ในการจเจริญสติ ขึ้นอยู่ที่ว่าอันไหนมันเหมาะกับเราในช่วงนั้นบางที่เรารู้สึกว่าสวดแล้วมันเย็นสบายไม่คิดได้ก็สวดไปแต่ถ้าสวดไปนานๆแล้วรู้สึกเย็นสบายไม่อยากสวดก็หยุดสวดแล้วก็มาดูร่างกายถ้าร่างกายเคลื่อนไหวก็ดูการเคลื่อนไหวถ้าร่างกายอยู่เฉยๆไม่ได้เคลื่อนไหวนั่งเฉยๆก็ดูลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่หน้าท้องก็ได้ ท้องก็เรียกยุบหนอพองหนอเวลาหายใจเข้าท้องมันก็พองขึ้นมาหายใจออกมันก็ยุบเข้าไปหรือถ้าไม่ไม่ดูที่ท้องก็ดูที่ปลายจมูกหรือหรือบริเวณเหนือริมฟีปากขึ้นมาจะจะเห็นว่าลมจะเข้าออกตรงนั้นจะสัมผัสกับลมได้ก็ดูว่าลมกำลังเข้าหรือลมกำลังออกไปไม่ต้องไปควบคุมบังคับให้หายใจลึกๆยาวๆหรืออะไรปล่อยมัน ไปเราไม่ต้องการควบคุมบังคับลมเราต้องการควบคุมบังคับใจถ้าเราไปบังคับลมเท่ากับเราปล่อยให้ใจเราปล่อยไม่เราไม่ควบคุมใจปล่อยให้ใจไปทำงานเราต้องการให้ใจหยุดทำงานเราต้องให้ใจดูอะไรไว้ผูกใจไว้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าดูลมก็เรียกว่าอนาปนาสติถ้าดูร่าง ก, กายก็เรียกว่ากายยกตาสติอันนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของ กลุ่มของอนุสติสิบอยู่นี่คือกรรมฐานที่เราจะใช้ในการหยุดความคิดเพราะถ้าเรายังไม่มีสติเราต้องใช้กรรมฐานสร้างสติแต่ต่อไปถ้าเรามีสติแล้วเราไม่ต้องใช้กรรมฐานเราดูจิตได้เลยพอเห็นมันคิดเราก็หยุดเพราะมันพอเรารู้ว่ามันคิดปั้มมันก็หยุดได้ตอนนั้นสติเราไม่กำลังมากนะมไม่ต้องพูดโทนะ แต่ถ้ารู้ว่ามันคิดมันยังไม่แล้วมันไม่ยอมหยุดคิดนี่เราก็ต้องพุทโธใส่มันจนมันยังคิดถึงคนนั้นคนนี้ยังโกรธคนนั้นคนนี้อยู่บอกให้มันหยุดคิดมันยังไม่หยุดเนี่ยก็ต้องใช้พุทโธพุทโธพุทโธสู้กับมันไปใหม่ๆมันจะไม่หยุดคิดทันทีแล้วพอเราพุทโธกรำสองรรมันยังคิดอยู่ก็ต้องสวนหมัดกันไปด้ว่ยๆมันคิดเราก็พุทโธขงเราไปถ้าเราไม่หยุดพุทโธเดี๋ยวมันก็แพ้เอง แต่ถ้าเราพูดโทรไปแล้วเราหยุดมันก็จะไม่หยุดคิดพอไม่มันไม่หยุดคิดมันก็จะเกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์เครียดต่างๆขึ้นมาจากความคิดพอเกิดความอยากคิดแล้วก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้ก็เครียดขึ้นมาเนียสติเป็นเป็นธรรมที่สําคัญที่สุดในการเสริมสร้างความสงบให้แก่ใจ เป็นด่านแรกเป็นขั้นแรกของการสร้างความสงบให้กับใจแต่ไม่ใช่เป็นตัวเดียวที่จะทำให้ใจสงบได้อย่างถาวรสตินี้จะทำให้สงบได้เป็นพักๆไปเวลามีสติคุมใจให้ไม่ให้คิดมันก็สงบพอเราปล่อยให้มันคิดเดี๋ยวมันก็ฟุ้งขึ้นมาได้ถ้าเราอยากที่จะทำให้ใจสงบอย่างถาวรเราต้องใช้ปัญญา หลังจากที่เรามีสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้แล้วการต่อไปก็สอนให้ใจคิดไปในทางปัญญาคิดอย่างไรเที่ยงแล้วว่าคิดไปในทางปัญญาก็คิดไปตามความเป็นจริงกับความเป็นจริงของสิ่งต่างๆที่ใจมีความอยากได้ว่าสิ่งที่ใจอยากได้นั้นมันทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงเราครวบคุมบังคับมันไม่ได้ หรือถ้ามันสวยงามก็ต้องมองว่าให้เห็นว่ามันไม่สวยงามถ้ามันน่ากินก็ต้องพิจารณาให้เห็นตอนที่มันไม่น่ากินของทุกอย่างมันมีสองด้านเหมือนเหรียญมีหัวกับก้อยของทุกอย่างมันมีดีกับไม่ดีมาด้วยกันเราชอบไปมองด้านดีมันก็เลยทำให้เราอยากได้ถ้าเราไปมองในด้านไม่ดีเราก็จะไม่อยากได้เช่นเห็น คนอยากได้เข้ามาเป็นแฟนก็จะเห็นเขาดีไปหมดเขาจะให้ความสุขกับเราเขาจะดูแลเราก็าจะช่วยเหลือเราไม่มองตอนที่เขาไม่ดีบ้างเวลาเขาโกรธเราเวลาเขาเกลียดเราขึ้นมาเวลาเขาเบื่อเราแล้วเป็นยังไงตอนนั้นต้องหัดมองทั้งสองด้านอย่าไปมองแต่ด้านบวกเราชอบมองแต่ด้านบวกของของสิ่งต่างๆมันเลยทำให้เราอยากได้กัน เราหัดมองด้านลบบ้างด้านอนิจจังมันไม่เที่ยงมันบวกเดี๋ยวมันต้องเปลี่ยนเป็นลบเพราะมันของมันต้องเก่าลงมันต้องเสื่อมมันต้องเสียหรือมันต้องเปลี่ยนไปเรื่องของมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปพอดับไปแล้วเป็นไงคิดว่าได้คนนี้มาเป็นแฟนเราได้มาไม่กี่วันตายไปซะแล้วนี่เป็นยังไงหรือคิดว่าเขาจะมาดูแลเราพอมาอยู่กับเราเกิดเป็นอมภเพิกกรมพาดไป แล้วไทยต้องมาดูแลไทยแบบนี้เมื่อก่อนอยู่คนเดียวไม่ต้องดูแลไทยพอไปได้แฟนมาแฟนมาเป็นามาพลึกเป็นอาพลาดเข้าทํำยังไงกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนี่คือคิดแบบปัญญาคิดที่จะทําทให้เราจะไม่อยากได้อะไรในโลกนี้เลยถ้าเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันจะต้องกลายเป็นของไม่ดีไปมันจะกลายเป็นสิ่งที่จะทําให้เราทุกข์แต่เราไม่คิดกันเนาคิดแต่ว่ามันดี จะให้เรามีความสุขกันก็เลยอยากได้กันนี่คือวิธีคิดด้วยปัญญาถ้าเห็นของอยากจะกินว่าอริดอร่อยก็อย่าอย่าไปมองของที่มันอยู่ในจานไปมองเวลามันอยู่ในปากดูมั่งเวลาเคี้ยวอยู่ในปากผสมกับน้ำลายลองคายมันออกมาดูหน้าตามันมั่งมันอร่อยเหลือเกินขอดูหน้าตามันหน่อยที่เป็นยังไงคายมันออกมาดูหน้าตามันแล้วลองตัดเข้าไปใหม่ได้ไหม หรือเวลามันอาจัจยนออกมาจากในท้องเนี่ของอรเด็ดอร่อยเสียเงินเป็นเป็นหมื่นเป็นพันซื้อมากินกันเวลาออกมาจากท้องเรานี่ปากกลับก็ใหม่ๆได้เป่าหรือเวลาถ่ายออกมาเนี่ยไปดูในชักโคกนี่ยเนีถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไม่อยากกินเห็นอะไรอรเด็ดอร่อยขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนก็ไม่อยากจะกินนะ่วิธีแก้ความอยากต้องมอง ต้องมองในส่วนที่มันไม่น่าไม่น่าอยากเราชอบไปมองส่วนที่มันน่าอยากกันมันก็เลยอยากได้กันไม่ไปมองในส่วนที่มันไม่น่าอยากกันฉนั้นต้องหัดมองในส่วนส่วนที่ไม่น่าดูไม่น่าอยากได้แล้วมันจะทําให้เราไม่อยากได้อะไรแล้วมันจะทําให้เราอยากได้แต่ความสงบอย่างเดียวอยู่กับความสงบดีกว่าสบายที่สุดไม่มีปัญหาความสงบไม่ไม่เกี่ยวกับใคร ไม่เกี่ยวกับคนไม่เกี่ยวกับวัตถุข้าวของสิ่งของเงินทองอะไรต่างๆอวามสุขนี้เกี่ยวกับสติกับปัญญาสองตัวนี้ถ้ามีสติมีปัญญามันก็จะสงบมันจะไม่มีความอยากสงบแล้วมันก็จะสงบไปตลอดสงบด้วยสติก่อนแล้วก็รักษาด้วยปัญญาเวลามันจะอยากก็ใช้ปัญญาหยุดมันเพราะความอยากมันจะทำให้ใจไม่สงบ พอใจสงบแล้วพอไปอยากขึ้นมาใจมันจะกระเพื่อมพอมันกระเพิ่มเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนว่าอย่าไปอยากสิ่งที่อยากได้มันไม่มันไม่ดีมันไม่สวยไม่ไม่ดีอย่างที่เราคิดมันมีส่วนที่ไม่สวยไม่ดีอยู่พอเห็นส่วนที่ไม่สวยส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่น่าอยากมันก็จะหายอยากแล้วมันจะหายอย่างถาวรต่อไปมันจะไม่อยากได้เลยเพราะมันเห็นทุกอย่างมันเป็นทุกข์เป็นเรื่องเป็นปัญหาทั้งนั้น ได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องมีราวมีปัญหากับมันได้รถมาเดี๋ยวก็ต้องไปคอยล้างรถเช็ดรถไปหาที่จอดรถไปหาที่เก็บรถต้องไปซ่อมรถเวลามันเสียเวลายางแตกก็ต้องเปลี่ยนยางเกิดวิ่งใบกลางทางรถเสียก็ต้องโทรศัพท์เรียกรถเขามาลากไปมีปัญหาทั้งนั้นสู้อยามีมันดีกว่าเช่ารถ ด, ดีกว่าสมัยนี้ มีอูบงอูเบอร์เยอะแยะไ่หมอโทอเรียกมาได้ไม่ต้องหาที่จอดรถไปถึงไหนก็ลงได้เลยรวบบรถเร็วมารับถึงหน้าบ้านเลยส่งถึงนี่ว่าถึงบ้านเลยแต่ก็ยังต้องเสี่ยงภัยกับคนขับรถออกว่ามันเป็นโจรหรือเปล่าถ้าเป็นโจรก็สวยไปอีกก็ทุกข์อีกทางที่ดีก็อย่าไปไหนดีกว่านั่งสมาธิอยู่บ้านดีที่สุดปลอดภัยที่สุด สรุปแล้วก็ไม่มีอะไรจะที่มีความสุขแบบไม่มีปัญหาเท่ากับการนั่งสมาธิเห็นหมัดมานั่งสมาธิกันเถอะแล้วต่อไปไม่จะไม่มีปัญหากับใครไม่ต้องไปเสี่ยงภยัยไปเสี่ยงอันตรายบุญท้องถน น, ไ ป, น, นไปข้างนอกบ้านไปข้างนอกบ้านเดี๋ยวนี้คนบ้าก็เยอะคนประสาทเสียก็เยอะเดี๋ยวไปเจอรูปหนงเขา้าขับรถเมาชนกันขับชนกันอะไรกัน มีแต่ภัยรอบ ด, ด้านอยู่บ้านอยู่วัดดีกว่าอาจทำใจให้สงบแล้วจะไม่อยากไปไหนอยู่บ้านอยู่วัดนี่สบายถึงเวลาก็นั่งสมาธิถ้ามีความสงบแล้วถ้ามีปัญญาหยุดความอยากได้ใจก็จะสงบตลอดไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีอะไรมาลบกวนใจมาทำให้ใจไม่สงบตัวที่ทำให้ใจไม่สงบก็คือความอยากนี่ ถ้าเรามีปัญญาพอมันอยากเห็นอยาอะไรมองมุมกลับพยายามมองมุมกลับมันว่าสวยว่าดีมองมุมกลับมันต้องมีมุมกลับให้เรามองมันต้องมีมุมที่ไม่ดีลองค้นหามันดูมันมีมันทุกคนทุกอย่างมันมีมุมของมันมันมีปัญเหสียนสองด้านเราชอบมองด้านเดียวมันก็เลยมองไม่เห็นอีกด้านหนึ่งถ้าไม่รู้จักมองก็ต้องมาหาคนที่มองเป็นว่าก็มองกันยังไง วันนี้ก็บอกเรื่องดูมองอาหารให้มองอยังไงถ้าอยากจะลดน้ําหนักก็ให้คิดอย่างนี้เวลาอยากจะกินอะไรที่ไม่ถึงเวลากินก็ให้มองมุมกลับบ้างอย่าไปมองอาหารที่อยู่ในจานอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องอยู่ในท้องอย่างนี้แต่เห็นอาหารเหล่านี้แล้วมันก็จะไม่หิวไม่อยากก็เน่การการกิน น, นี้มันไม่ได้กินเพราะความหิวของร่างกาย ส่วนใหญ่หิวใจใจไม่ได้กินแต่ใจอยากกินแต่ผู้ที่กินก็คือร่างกายร่างกายมันเดยกายเป็นตุ่มกันนะร่างกายไม่ต้องการอาหารใจต้องการอาหารแต่อาหารของร่างกายไม่ใช่เป็นอาหารของใจอาหารของใจก็คือความสม้าอยากอะไรถ้าหิวอะไรก็ไปนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธใช้สติหยุดความคิดเดี๋ยวความอยากความหิวมันก็จะหายไป แล้วก็ไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปดื่มอะไรร่างกายก็จะน้ำหนักไม่เกินไม่ต้องไปเสียเงินเข้าฟิตเนสไม่ต้องไปวิ่งออกออกแรงให้เหนื่อยยากประป่า <c oughs> ถ้าอยากจะออกกำลังกายก็เดินจงกรมเดินจงกรมไปกลับเนี่ยชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่โอได้ได้สองอย่างได้ทั้งสติได้ทั้งกำลังกายได้ทั้งกำลังใจไม่ต้องเสียเงินด้วย นี่แหละ ว, วิธีของคนฉลาดทำอะไรอย่าไปทําแบบแก้ปัญหาอย่างหนึ่งด้วยการไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาเราชอบมักจะแก้ปัญหาด้วยการไปสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมามันร้อนก็ไปติดแอร์พอติดแอร์เดี๋ยวไฟฟ้าดับก็มีปัญหาแล้วเดี๋ยวไฟเสียเเดี๋ยวแอร์เสียก็มีปัญหาแล้วถ้ามันร้อนก็เอาน้ำเย็นมาชุบเอาผ้าเย็นมาชุบหน่อยก็แล้วกันแล้วก็อกถอดเสื้อมันออก อยู่ในที่มันล่มอะไรหรือไปเช่นนั้นก็ทำใจให้สงบถ้าใจสงบว่าร่างกายจะร้อนจงไงจะเจ็บยังไงใจก็เย็นใจอยู่กับความร้อนของร่างกายนะไม่เดือดร้อนวิธีแก้ปัญหาต้องแก้ด้วยสติด้วยปัญญาสองตัวนี้ท่านพะปัญหาของใจมันเป็นอยู่มันต้องแก้ด้วยสติด้วยปัญญาท่าน ถ้าแก้ปัญหาที่ใจได้แล้วปัญหาของร่างกายก็จะไม่เป็นปัญหาร้อนขนาดไหนก็อยู่กับมันได้หนาวขนาดไหนก็อยู่กับมันได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปเพราะใจไม่ต้องพึ่งร่างกายแล้วใจที่มีความสงบมีความสุขในตัวมันเองแล้วมันไม่ต้องพึ่งร่างกายนี่คือการมาวัดมาฟังเรื่องราวที่เราไม่คอยได้ยินได้ฟังกัน ถ้าเราไม่มาเราจะต้องไปแสวงหาวัตถุกันเราไปวุ่นวายกันไม่มีวันจบสิน้นได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอไปจนถึงวันตายตายไปก็กลับมาเกิดใหม่มาหาใหม่เรากลับมาเกิดมาตายกันไม่รู้กี่แสนล้านรอบเราจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้พวกเราหา วิธีหาความสุขที่แท้จริงเกิดการมาทำใจให้สงบด้วยการเจริญสติด้วยการเจริญปัญญาแล้วรับรองได้ว่าปัญหาต่างๆจะหมดไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจิตมาตายอีกต่อไปใจจะมีความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดก็ ค, คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิต e ุทินนามเปตังนาอุปกาปติอิตชีตังปฏิีตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันาระโสยะถานิจโชติ อระโสยะถาสปิโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสานิจจังวุฒาปะจายโนจตารโอธรมมวาทาติอายุวโนสุขัง ภาพลางวันนี้สถิติเท่าไหร่คนเข้ามาเท่าไหร่วันนี้ติดตามเท่าไหร่ที่หน้าจอมันจะบอกลยว่าเข้ามาเท่าไหร่ทังเฟซบุ๊กสี่ร้อยสามสิบเก้าค่ะทางยูทูหนึ่งร้อยสามสิบหทางวิทยุยี่สิบสี่ ก็ผู้รับฟังบนเขายี่สิบหกคนค่ะรวมทั้งหมดหกร้อยี่สิบห้าคนค่ะนี่ก็ประมาณมาตรฐานวันละหกร้อยกว่าถ้าใครอยากจะถามอะไรก็ถามได้นะอยากจะถามไหมถ้าถามเดี๋ยวจะส่งไมโครโฟนไปให้เพราะต้องพูดผ่านไมโครโฟนมันจะได้ยินชัดหน่อยอยากจะถามไหมขอถามว่า กรณีที่คนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยค่ะถ้าจะสละทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี้ยให้กับบุตรบริวารถือเป็นการสร้างบุญให้กับตัวเองไหมคะถ้าให้ตอนที่ยังไม่ตายค่ะถ้าตายแล้วให้ไม่ได้บุญอ่าให้ตอนที่มีมีชีวิตอยู่ยกให้ใครก็ได้บุญทั้งนั้นให้ลูกให้หลานให้คนไม่รู้จักก็ได้บุญเหมือนกันแตกต่างกันไหมคะกับคนบุคคลที่ไม่รู้จักกันมันให้ยากง่ายง่ายกว่าไงคนที่รู้จักมันให้ง่ายกว่า เช่นลูกสามีภรรยาพ่อแม่ให้มันง่ายกว่าให้กับคนที่เราไม่รู้จักเพฉะนั้นถ้าให้กับคนไม่รู้จักมันยากกว่ามันก็ทำให้มันเราได้บุญมากกว่าเพราะมันต้องใช้ความบังคับใจมากกว่าเพราะว่ามันมันจะเกิดความรู้สึกที่ดีกว่าให้กับคนที่เราไม่รู้จักเช่นแต่เราลวดเขาเอาไปทำประโยชน์อย่างเงี้ยเช่นให้กับวัดให้กับโรงพยาบาลให้กับอะไร เราให้แล้วเรารู้สึกว่าเรามันยากกว่าที่จะให้ลูกหลานแต่ได้บุญเหมือนกันใช่ไหมความรู้สึกจะต่างกันให้ลูกหลานอาจจะไม่ค่อยสุขเหมือนกับให้คนอื่นค่ะค่ะยิ่งให้ศัตรูได้ยิ่งยิ่งสุกใหญ่นะยเพราะจะได้ไม่มีศัตรูค่ ะ, คะยิ่งให้ของที่เรารักที่เราหวงได้มันยิ่งได้บุญมากว่า สองนี่เราล้เราห่วงนี่มันจะให้ยากอแต่อย่าให้ตอนที่หลังจากที่เราตายไปแล้วเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเราได้ให้หรือเปล่าเพราะเวลาเราตายไปก็อาจจะมาขึ้นร้องขึ้นสารกันอะไรกันทะเลาะ ก, กันงนั้นเราต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นเดียวกับการบริจาคอวัยวะของน่างกายก็ต้องบริจาคตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เช่นคว้าไตาให้เขาไปอ่านอย่างนี้ เราเราจะเห็นผลจากการเสียสละตายของเราทําให้คนนี้ที่จะตายนี้ไม่ตายแต่ถ้าเวลาเราตายแล้วก็เอาหัวใจเอาตับเอาตายไปให้ใครเราไม่รู้แล้วถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่ได้ความรู้สึกความรู้สึกนี่คือบุญความรู้สึกสุขดีใจที่เราได้ทําประโยชน์เนี่ยมันคือบุญต้องทําในขณะที่เรารู้ตัวแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวนี้มันไม่ได้บุญ แต่ได้ประโยชน์คนที่เขารับไปเขาก็ยังได้ประโยชน์อยู่แต่เราคนให้ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้บุญอยากจะได้บุญต้องให้ตอนที่ยังไม่ตายคือเราบริจาคไปตอนณตอนที่ที่เรายังยังอยู่แต่เราบริจาคไปเยอเรื่องบริจาคไปแล้วทำเรื่องแต่ไม่ได้บริจาคมันเจตนาลมเอราก็บอกได้เดี๋ยวตายไปจะบริจาคร้อยล้านเนี้แต่เรายังไม่ได้บริจาคเนี้ย แล้วก่อนตายเราจะเปลี่ยนใจก็ได้ใช่หไหมไม่มีอะไรมาผูกมัดเราบังคับเราเต้องให้ตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่คือว่าเวลาวตวจมุลเนี่ยเราไม่ได้ตรวจตำนองพระสวรวจตานองของเราเองได้ยังไงก็ได้ไม่มีปัญหาขอให้เราสรวจเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ท่านเอ พอคิดแล้วมันจะทำให้ใจเราไม่สงบพอเราสวดเราจะทำให้ใจเราสงบเราก็ mm hmm. แล้วแต่ถ้าเราไปสวดกับคนอื่นก็ต้องสวดตามเขาเช mm hmm. ่นเราไปวัดเขามีจังหวะของเขาก็มีบทของเขาเราก็ต้องสวดตามที่เขาสวดกันแต่ถ้าเราสวดของเราเองคนเดียวเราจะสวดอย่างไรก็ได้ mm hmm. เป้าหมายก็คือเพื่อเราจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. หยุดความคิด ใจเราจะได้เบาจะได้สบายพอเวลาคิดแล้วมันหนักไหมคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันหนัก อ, อกหนักใจไหมพอไม่ได้คิดมันก็จะเบา อ, อกเบาใจขึ้นมามาจากนครสวรรค์นะมาไกลมาทุราเอะไรมาเที่ยวครับเี่ยวมาเที่ยวตั้งใจโยกามาดูทะเล <c oughs> มาดูทะเลนะ มาเที่ยวทะเลเ ล, ทเลาายทะเลมหาทะรลค่นท่านี้พอดีลุกเช้าก็เคยมามากราบพระอาจารย์ก็เลยว่าเออเดงไม่ต้องพาม้ามากราบท่านาอาอาาาาด้วยได้หนังสือไปแล้วนะอ่าอ่ากราบก็ได้เนอะอ่าจะได้ไม่เสียเวลาก็ขอให้ ม, ม, มีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะพยายามทำบุญทำทานรักษาศีล ไหว้พส่วนมนนั่งสมาธิอ่านหนังสือธรรมะแล้วใจจะมีความสุขไม่ต้องมีเงินทองก็มีความสุขได้ความสุขดีกว่าการมีเงินทองสิถามมาคําถามคําถามจากกู้รับฟังบนเถ้านะครับพระมารับบิณฑบาตหน้าบ้านเราใส่บาตรเสร็จแล้วพระท่านให้พร เราจะต้องนั่งรับพรนะคะหรือ ย, ยืนก็ได้การนมัสการค่ะก็แล้วแต่มั้งยืนก็ได้นั่งก็ได้แล้วแต่มันเป็นแค่ธรรมเนียมครับความเหมาะสมบางทียังให้ไม่ให้ก็ได้เหมือนกันเพราะพรมันเกิดไม่ได้เกิดจากพระพรมันจะเกิดเกิดจากการใส่บาตรถ้าไม่ใส่บาตรให้พระให้พรเท่าไหร่มันก็ไม่ได้พรเพราะพรมันเป็นแค่ลมปาก การให้พรนี้เป็นการสอนสอนธรรมะสอนว่าทาบุญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอายุวันนัสุขะพละเนี่ยจะได้ประโยชน์จะเจริญด้วยอายุวันนะสุขะละเป็นการสอนเป็นการบอกเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการให้พรแต่อย่างใดพรเกิดจากการกระทาของผู้ให้ผู้ใส่บาป พ, พรก็คือความสุขความเจริญเนี่ยเกิดจากการกระทาความดีต่าง ่เวลาทําความดีแล้วไม่ต้องมีมใครมาสวดให้เราหรอกอย่างญาติโยมมาทํานี่เสร็จกลับบ้านไม่ต้องรอรอสวดพรก็ได้แล้วไม่ต้องให้พร อ, อะไรที่ให้นี่เพราะมันเป็นธรรมเนียมกันถ้าไม่ให้ก็ไม่ยอมกลับดังนั้นต้องให้ถึงจะกลับกันแต่พรเนี่ยโยมได้รับแล้วตั้งแต่โยมเสียสละบอยจากข้าวของเงินทองไปอคําถามจากทางอิ inbox ครับ การที่เราอยู่กับตัวรู้เสมอโดยที่มันรู้อัตโนมัติอย่างนี้ได้ไหมครับคือให้มันรู้แบบไม่โนกเลยถ้ามันรู้แล้วมันโลกแล้วมันยังอยากอยู่นี้ก็ไม่ใช่ไม่ได้ให้รู้แบบเฉยๆเห็นเงินทองกองกองอยู่ข้างหน้าก็ไม่เอาอย่างเงี้ยเห็นขนมก็ไม่อยากจะกินอะไรไม่แค่รู้เฉยๆรู้แล้วพอเห็นปั๊บมันอยากขึ้นมาอยา่างถ้ารู้แบบนี้รู้ไม่ถูก รู้แบบอุเบกขาคือสักแต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่รู้ใครด่าก็ไม่มีอารมณ์กับเสียงที่ได้ยินเสียงดา่าเขาด่ามาก็เฉยรู้แบบรู้แบบรู้ว่าเขาดา่าแต่ไม่มีอารมณ์ไม่โกรธเขาไม่เกลียดเขาต้องรู้แบบนี้ถึงจะรู้ที่ถูกต้องคำถามจากย t u b e ครับคุณมีมีครับกายเวทนาจิตธรรม ใช่ของใช้เราของเราหรือเปล่าครับออ๋คุณก็ต้อง ป, ปฏิบัติไปถึงอยารู้เนี่ยตาบอย่างนี้มันคุณก็สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นออก็ลองไปปฏิบัติดูขั้นต้นก็ต้องไปปฏิบัติ อ, อสติให้ได้ก่อนทําจิตให้สงบให้ได้ก่อนถึงจะมองเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาออร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายะ เป็นดินน้ำลมไฟไม่มีตัวตนทำมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนโทรศัพท์มือถือนี่มีตัวตนไหแต่มันแสดงมันทำอะไรได้เหมือนกับคนใช่ไหมให้มันพูดเดี๋ยวนี้มันก็พูดได้ถามบัญหาที่ไหนร้านอาหารพิซซ่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวมันก็บอกเราเนี่ยเยมันมีตัวตนหรือเปล่าโทรศัพท์มือถือนี่แต่มันพูดได้ใช่ไหมถามมันถามคำถามมันก็ตอบได้ แต่มันไม่มีตัวตนหรอกมันทำมาจากวัตถุร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตนมันทำมาจากวัตถุไอ้ที่มันพูดมันก็มันถูกสั่งให้พูดมันไม่รู้ว่ามันพูดอะไรหรอกปากมันไม่รู้มันพูดอะไรไอ้จิตเป็นตัวสั่งตัวตัวตัวสั่งก็คือตัวคิดตัวรู้นี่ไอ้ตัวนี้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่มันหลงไปคิดว่าเป็นร่างกายจึงต้องมาสอนมันใหม่สอนตัวจิตเนี่ยไม่ได้สอนใครหรอก ให้จิตรู้ว่าร่างกายที่คุณใช้มันอยู่นี้ไม่ใช่เป็นตัวคุณเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือเพื่องหนึ่งที่คุณเอามาใช้เท่านั้นเองถ้าคุณรู้ว่มันเป็นมือถือคุณจะเบา อ, อกเบาใจกับร่างกายนี้ขึ้นมาทันที้ยไม่ไม่กังวลเมื่อว่ามันจะเป็นจะตายยังไงก็เรื่องของมันใช่ไหมพอรู้มันต้องตายแน่ๆใช่ไหมโทรศัพท์มือถือเราก็รู้ว่ามันต้องพังแต่เราไม่เสียใจเราไม่เดือดร้อนไม่กังวลกับมันใช่ไหมเพราะเรารวมไม่ใช่เป็นเรา ในที่มาสอนให้พิจาร์ร่างกายเพื่อให้รู้ว่ามไม่ได้เป็นเรามันทำมาจากดินน้ำลมไฟไอเวทนาความรู้สึกที่มากับร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นเราเมันเป็นของร่างกายมันติดมากับร่างกายเหมือนกับเสียงที่ออกมาจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมันมาจากโทรศัพท์มันไม่ได้เป็นเราเราไม่ได้เป็นคนพูดอันนี้คือการศึกษาให้เรา ปล่อยวางของที่เรากำลังถือว่าเป็นเราอยู่เราถือสามอย่างนี้ว่าเป็นเราถือว่าร่างกายเป็นเราถือว่าเวทนาความรู้สึกต่างๆเป็นเราถือว่าความรู้สึกนึกคิดใจจิตใจว่าเป็นเรามันไม่ใช่เป็นเรามันเป็นแค่ความอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอารมณ์สงบอารมณ์ฟุ้งเนี่ยอันนี้มันเป็นอารมณ์ของจิตที่มันแปรปรวนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆแล้วควบกุ่มบังคับมันไม่ได้ จะอยู่กับมันได้อยู่แบบรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้หรือว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีก็รู้ไปรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หมดอันนี้จังเวลาอารมณ์ไม่ดีก็อย่าไปพูดอย่าไปทำอะไรเพรพูดทาแล้วมันจะเสียหายเราให้มันหายก่อนเราให้มันกลับมาเป็นปกติก่อนแล้วค่อยไปพูดไปทำอะไรต่อคำถามจากคุณเปียนันครับกากบเรียนถามถึงนิพพานกรรมฐานค่ะ การที่จะทำวิปัสนาถึงเวลาจิตจะดำเนินไปเองใช่หรือไม่คะหรือว่าเราต้องพาจิตให้พิจารณาสภาวะคะก็ต้องทําให้มันพร้อมก่อนให้มันมีความสามารถที่จะพิจารณาได้ก่อนมันต้องมีสามาธิก่อนมันถึงจะสามารถพิจารณาได้อย่างมีประสิท ธ, ธิภาพมีอย่างต่อเนื่องถ้ายังไม่มีสามาธิมันคิดไม่ได้ล่ะคิดได้สองคไปล้คิด ตายรักได้สองครั้งเดี๋ยวไปหาแฟนหาอะไรวุ่นไปหมดนะพอไปเห็นแฟนก็ไม่เป็นตายรักซะและ้วเห็นซอฟสมบัติก็ไม่เป็นตายรักซะและ้วถ้าไม่มีสมาธิถ้าจิตมีสมาธิแล้วจิตจะไม่มีความยึดติด ก, กับอะไรพอพิจารณาอะไรก็จะเห็นว่าเป็นตายรักไปหมดดังนั้นต้องรอให้จิตพร้อมก่อนถ้ายังไม่พร้อมพิจารณาไม่ได้จะไม่เห็นจะไม่เห็นตายรักจะไม่เห็นนสุภา เห็นก็เห็นแป๊บเดียวแปบๆแล้วก็หายไปคือต้องให้จิตมีสมาธิก่อนถ้ามีสมาธิแล้วมันสามารถสั่งให้จิตมองอะไรได้ได้นานไม่หลงไม่ลืมตอนนี้มันดูแป๊บเดียวเดียวมันก็ลืมแล้รู้ว่าเป็นตายรักเดี๋ยวพอเห็นหน้าลูกก็กลายเป็นลูกไปแล้วไม่ได้เป็นตายรักแล้วเห็นหน้าแฟนก็กลายเป็นแฟนไปแล้วไม่ได้เป็นตายรักแล้วแต่ถ้ามีสมาธิมันจะคิดอยู่ได้เรื่อยว่าเป็นตายรักเป็นอันนี้จังทุกครั้งนะตา เป็นดินนมนุมไฟเป็นอาการสามสิบสองพอเห็นหน้าไครจะเป็นอาการสามสิสองไปหมดเห็นกะโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกไปมันจะไม่เห็นว่าเป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่มันจะเห็นร่างกายตามความเป็นจริงของร่างกายส่วนพ่อแม่นี่มันเป็นสมมุติที่มาติดอยู่กับร่างกายเขาให้เขาเขาให้กําเนิดเราเขาก็เลยเป็นพ่อแม่เราเราให้กําเนิดเขาเขาก็เลยมาเป็นลูกเรา แต่ความจริงมันก็เป็นร่างกายทั้งหมดไม่ว่าพ่อแม่หรือเราร่างกายของเราร่างกายของลูกมันก็อาการสาสิบสองเหมือนกันหมดเวิปัสสนามันต้องมองแบบนี้มองอีกมุมหนึ่งเราไปมองมุมสมมุติมองว่าเป็นใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกแต่ถ้ามองมุมของวิปัสสนามันจะเห็นเป็นอาการสาสิบสองไปหมดเหมือนกันหมดทุกคนนี่นั่งอยู่เนี่ยทั้งหมดนี่อาการสามสิบสงนั่น มีผมขนเล็บฟันไ้ยพวกเราเนี่ยมีกันทุกคนแต่มองไม่เห็นเห็นแต่หน้าเห็นแต่ตาเห็นแต่คิ้วเห็นแต่ปากใช่ไหมแต่ไม่เห็นอาการสามสิบสองเห็นว่าเป็นนู่นเป็นนี่ชื่อนั่นชื่อนี่เป็นหญิงเป็นชายเห็นสมมุติแต่ไม่เห็นเห็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็เห็นความจริงตามเป็นที่มันเป็นจริงเห็นที่เห็นเนี่ยเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเนี่ยเห็นว่าเห็นวิปัสสนา แต่เราไม่เห็นเราเห็นว่าเป็นนางสาวนูน่นนางสาวนี่นายนูน่หนนายนี่มีฐานะอย่างนั้นอย่างนี้มีตําแหน่งอย่างนู่นอย่างนี้เห็นไปแบบนี้หมดอันนั้นไม่ใช่ของจริงของปลอมไม่ใช่เป็นความจริงที่แท้จริงความจริงที่แท้จริงก็คือดินน้ำลมไฟอาการสามสิบสองเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนี่คือความจริงที่เราต้องมองกันแต่เราไม่มองกันมองก็แป๊บเดี๋ยวก็ลืมนะเป็นสัญญาไม่เป็นปัญญาไม่เป็นวิปัสสนา ถ้าเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญามันจะอยู่กับใจจะเห็นแบบนี้ตลอดเวลาแล้วมันจะไม่หลงจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่เศร้าโศกเสียใจเวลาใครเป็นอะไรไปเพราะรู้ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ร่างกายทุกคนมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันต้องตายด้วยกันทุกคนแล้วร่างกายก็ไม่มีใครอยู่ในร่างกายคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นรสามีเป็นพรนาเป็นลูกเพียงแต่มันเกาะร่างกายนี้ไว้เท่านั้นเอง เหมือนร่างกายเป็นเหมือนมือถือเครื่องหนึ่งนั่นเองเยมือถือตายไปคนใช้มือถือไม่ได้ตายไปกับร่างกายไม่ได้ตายไปกับมือถือมือถือพังก็เปลี่ยนเครื่องใหม่ใช่ไหมร่างกายพังก็ไปเปลี่ยนร่างกายใหม่ไปเกิดใหม่แต่ไม่รู้ก็เลยหนงคิดว่ามีคนตายกันคิดว่าพ่อตายแม่ตายพี่ตายสามีตายภรรยาตายคามจริงร่างกายของเขาเครื่องมือของเขาตายโทรศัพท์มือถือของเขาตาย อคนใช้ไม่ได้ตายไปกับโทรศัพท์มือถือคนใช้ร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายอย่างนี้คือวิปัสสนาจําได้ไมั้ยเนี่ยเดี๋ยวก็ลืมนะ <c oughs> ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิมันจะคิดบ่อยๆไม่ได้คิดได้แวบเดียวเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องสมบัติเรื่องอะไรต่อนละ้วอ่าต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ข้อหนึ่งพาาระอรหันต์ท่านไม่ยึดติดกับความดีความชั่วหมายถึงอย่างไรคะและถ้าเจอคนที่ประพฤติดีหรือชั่วเราควรจะวางใจอย่างไรคะเือพร ะ, พระอระหรันต์ท่านไม่มีความอยากจะทําดีหรือทําชั่วแต่ท่านทําดีด้วยเหตุด้วยผลถ้าทำถ้ามีเวลาว่างมีทําดีได้ท่านก็ทำํำแต่ถ้าไม่มีเวลาว่างไม่ได้ทําก็ไม่เสียใจแต่ถ้ายึดติดกับความดีอยากจะทําความดีพอไม่ได้ทําความดีก็เสียใจ ใช่ไหมเพราวันนี้อยากจะทำบุญแล้วพอดีติดธุระมาะไม่ได้พอไม่ได้ทำบุญก็เสียใจพระอรหันจะไม่คิดอย่างนั้นพราอรหันคิดว่าถ้ามีความจาเป็นจะต้องทำบุญก็ทำมีเหตุให้ทำก็ทำทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่ทำเพราะไม่ได้ประโยชน์จากการทำบุญเพราะพระอรหันนี้มีบุญเต็มเ่ยมในหัวใจแล้วไม่ต้องเอาบุญไม่ต้องทาบุญอีกแล้ว ส่วนบาปนี้ไม่ต้องพูดถึงบาปไม่ทำอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะรู้ว่ามันเป็นการสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นข้อสองค่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงคนที่กั่นแกล้งทําความเดือดร้อนให้เราได้ก็ควรจะเลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้เราไม่ควรจะแก้ที่ตัวเขาแต่ควรแก้ที่ตัวเราปล่อยวางว่าเป็นกรรมของเราแต่มันข่มใจไม่ได้ทุกครั้งทาให้ยังพยายามไปแก้ที่เขาอยู่ เราควรตับตรงที่สมาธิหรือปัญญาของเราอย่างไรดีคะที่สติไงพอพอพอจิตจะไปมีเรื่องกังเขาก็พุโทโธพุโทโธ อ, อย่าไปคิดถึงเขาหรือถ้าจะใช้ปัญญาก็คิดว่าดีแล้วก็เพียงแต่กลั่นแกล้งเราก็ายังไม่ทุบตีเราแค่นี้เราก็สบายใจนะหรือถ้าเขาทุบตีเราก็ดีแล้ ว, ลวเ็ายังไม่ฆ่าเราถ้าฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมกันจะไม่ต้องเจอกัน เกิดมาเดี๋ยวก็ต้องตายอยู่นี่ตายแบบกําไรดีกว่าตายแบบขาดทุนตายแบบนี้ตายแบบกรรําไรตายแบบหมดเวรหมดกรรมตายแบบขาดทุนก็คือไปฆ่ากันไปเทะเลาะกันไปต่อสู้กันพอตายไปก็มีเวรมีกรรมกันต่อคำถามจากทาง facebook live ค่ะจากคุณพอดีผมรบกวนขอความรู้จากพระอาจารย์ครับ คือเวลานั่งสมาธิผมเข้าใจว่าเราจับลมหายใจเพื่อกําหนดรู้แต่พอผมนั่งไปไม่นานกลับเป็นผมไปบังคับลมหายใจแทนครับสามารถทําได้หรือเปล่าครับรถ้าไม่ถูกต้องต้องแก้ไขอย่างไรไม่ได้ <c oughs> อย่าไปบังคับลมให้ดูลมเฉยๆถ้ายังดูไม่ได้ก็ก็พุโทโธไปก่อนถ้ายังชอบบังคับก็ต้องบังคับให้มันพุโทโธไปหรือบังคับให้มันสวดมนต์ไปแต่อย่าไปบังคับลม บังคับพุทโธได้บังคับให้มันพุทโธได้บังคับให้มันสวดมนต์ไปได้ถ้าถ้าจิตมันยังยังมีอาการที es, äh ่อยากจะทาอะไรอยู่ม <bás score, S 1> ันด like ูลมไม่ได้ดูลมแล้วเดี๋ยวก็จะไปบังคับลมอย่างนั้นก็ต้องมาให้มันหยุดการอาการอยากจะทำอะไรด้วยการให้มันสวดมนต์ไปยาวๆสวดไปจนเหนื่อยพอมันเหนื่อยแล้วมันก็จะไม่อยากไปทำอะไรไม่อยากจะคิดอะไรไม่อยากจะไปทำอะไรตอนนั้นก็ดูลมต่อได้ ตันต้นถ้าดูไม่ได้ก็อย่าเพิ่งไปดูใช้บทสวดมนต์ก่อนหรือใช้พุทโธไปก่อนคำถามจากสิปภาสค่ะ <c oughs> ผมอายุส1เ็ดปี <c oughs> เห็นแม่ปฏิบททัติธรรมผมอยากกราบถามวิถึงวิธีปฏิบัติสำหรับเด็กที่ไม่ยากเกินไปครับเอก็เชื่อฟังคุณแม่เนี่ยคุณแม่ให้ทำอะไรก็ทำตามที่คุณแม่บอกสำหรับเด็กยังไม่ต้องไปปฏิบัติอะไรมาก ให้มีความเคาลบนับถือผู้หลักผู้ใหญ่ให้เชื่อฟังผู้ใหญ่ไปก่อนคำถามจากคุณดิดอกรับเรียนถามพระอาจารย์ว่าไปอยู่ที่ไหนมีแต่คนเกลียดมีแต่คนชังมีแต่คนไม่ชอบควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็ต้องทําให้เขาชอบทีก็ไม่ที่เขาไม่ชอบเราเพราะว่าเราทําตัวไม่ดีเราไปทําขโมยของไปโกหกหลอกลวงเขาไม่ซื่อสัตย์ มันก็จะไม่มีใครชอบเราเนี่ยเราต้องถือศีลให้ได้รักษาศีลห้าข้อให้ได้แล้วก็นู้จักให้อยากอยากคิดจะจะเอามีอะไรที่ทำให้คนอื่นได้ทำให้เขาไปเห็นเขากำลังทำงานก็ไปขอช่วยเขาทำงานมีของที่เราไม่ต้องใช้ต้องกินเอามาแบ่งกันามาแจกกันแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นคนที่น่ารักขึ้นมาเอง คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะมีพระองค์หนึ่งชอบอ่านหนังสือมากพระองค์นี้ท่านว่านั่งสมาธิแล้วเห็นแสงแล้วคุยให้พระท่านอื่นๆฟังแล้วบอกว่านี่แหละนั่งแล้วเห็นแสงจะเกิดปัญญาพระองค์นี้เลยพยายามนั่งตั้งใจแล้วอยากเห็นแสงทุกครั้งอย่างนี้คือการหลงแสงในสมาธิใช่ไหมครับแล้วมีส่วนเกิดการ เ, าเกิดมโนโจากการอ่านไหมครับ แสงในสมาธิมันเกิดจากการที่จิตค่อนข้างจะสงบเข้าใกล้ความสงบเกิดจากการนั่งแล้วเกิดอาการปิติไม่ใช่หรือครับช่วยแนะนำหน่อยครับการนั่งนี้ไม่ต้องการให้เห็นอะไรต้องการให้จิตสงบแต่มันอาจจะมีอะไรให้เห็นก็อย่าไปสนใจมันเป็นของอของแถมของแทรกเข้ามาที่เราห้ามไม่ได้เราไม่ควรไปให้ความสาคัญกับมัน ควรให้อยู่กับพุโทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเพื่อให้จิตสงบพอจิตสงบแล้วทุกอย่างจะหายไปเหลือแต่อุเบกขาเหลือแต่ความสุขงั้นอย่าไปสนใจกับแสงมันไม่ใช่ปัญญาคำถามจากคุณสมาธิค่ะการเจริญสติทําควบคู่กับการเจริญปัญญาได้หรือไม่คะขอคําชี้แนะเจ้าค่ะในเบื้องตน้นคิดว่า ยังไม่ได้หรอกต้องเจริญสติให้ได้ก่อนถ้าไม่มีสติมันจะไม่เป็นปัญญามันจะเป็นความฟุ้งซ่านคิดเลื่อยเปื่อยแล้วการจะเจริญปัญญาต้องบังคับให้มันคิดอยู่กับเรื่องอย่างที่เมื่อกี้พูดเนี่ยพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟมีอาการสาวสิบสองมีเกิดแก่เจ็บตายให้คิดอย่างนี้ไปซ้ซซซาๆซากๆอย่างนี้แเนี่ยเรียกว่าเป็นปัญญาได้ แต่ถ้าไม่มีสติมันคิดไม่ได้ล่ะเดี๋ยวกิเลสมันจะดึงไปคิดถึงขนมคิดถึงเกมคิดถึงทีวีคิดถึงอะไรไปคิดได้แค่สองสามวินาทีก็ไปล่ะแต่ถ้าคิดได้ก็คิดมันก็เป็นการเจริญสติด้วยกันการพิจารณาปัญญาก็เป็นการเจริญสติด้วยเพราะว่ากรรมาฐานเนี่ยที่ให้พิจารณาการสามสองร่างกายก็เป็นกรรมาฐานอย่างหนึ่งเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญา ล้วเราพิจารณาดูอาการสามสิบสองอยู่เรี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยถ้าพิจารณ า, างี้ได้เราก็จะได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาได้ทั้งสมาธิด้วยคำถามจากคุณขวัญค่ะค่อนข้างยาวของนิยาตตัพทอนนะคะเอาสั้นเอาสรุปเลยเขาเออหนูได้สัมผัสรับรู้กับจิตวิญ ญ, ญาณวาันพระที่ผ่านมามีวัญญาติวิ ญ, ญญาณมาเข้าฝันหนูก็ไปทาบุญช่วยเขา ออแล้วก็สามารถสัมผัสกับเทวดาได้แล้วก็บอกว่าบางทีคุยกับวิญญาณในใจเหมือนคนบ้าแต่หนูตั้งสติให้มั่นคงมากๆไม่กลัวคะ่ะอาจารย์คะหนูไม่กล้า บ, บอกใครมาเรียนอาจารย์แนะแนวทางให้หนูด้วยเจ้าคะ่ะอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเวลาใครเข้ามาแล้วก็พูดโทรพูดโทรปิดประตูอย่าเพิ่งไปต้อนรับถ้าเรายังไม่มีปัญญายังไม่รู้ว่าเขามานี้เป็นของจริงหรือของปลอม มันเป็นได้สองอย่างของปลอมก็คือจิตมโนขึ้นมาเองจิตนึกบูงแต่งขึ้นมาหลอกเราล็อกหลอกร้อนจิตเองหรือเป็นของจริงเป็นดวงวิญญาณจริงก็เราก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เช่นดวงวิญญาณเขาบอก เ, าอกเา้ามีอะไรอยู่ที่ไหนต้องอ ใ, ให้เราลองไปพิสูจน์ดูเป็นเขาบอกว่าเป็นดวงวิญญาณของศักตว์ชนิดหนึ่งเพิ่งถูกฆ่าตายไป อยู่สัตว์นี้อยู่ใกล้ๆบ้านอะไรงนี้เจ้าในเรื่องของแม่ชีคนอย่างนี้เธอก็มีดวงวิญ ญ, ญาณของควายมาเข้าหามาเล่าว่าตัวเองถูกฆ่าตายเมื่อคืนนี้ตอนหัวค่ําแม่ชีตอนดึกก็นั่งสมาธิดวงวิ ญ, ญญาณก็เข้ามามาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นวิญ ญ, ญาณของควายถูกเจ้าของฆ่าตายเพราะดือ้อเพราะไม่ทํางานไม่ขยันเจ้าของเลยโมโหเลยฆ่าควายแล้วก็เอาเนื้อ ควายมากินเต้ากันฉลองกันควายก็มีความทุกข์ก็เลยมากลาบมาเล่าให้แม่ชีฟังขอให้แม่ชีรับช่วยรับบุญเขาจะเขาทิศเนื้อของเขาเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวเจ้าของเขาจะเอาเนื้อของเขามาให้แม่ชีขอให้แม่ชีรับแลการอนุโมทนาให้กับเขาด้วยแล้วพอตอนเช้าแม่ชีก็ส่งให้คนไปเช็คถามในบ้านดูก็ เป็นอย่างที่ดวงวิญญาณ น, นั้นบอกจริงๆว่าเมื่อคืนนี้เขามีข่าควายกันเลี้ยงกินจฉลอมกันเอออันนี้อันนี้ต้องเป็นถึงจะรู้ว่าเป็นเรื่องของวิญญาณจริงถ้าไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปหมาว่าเป็นวิญญาณอาจจะเป็นความคิดปรุงแต่งของจิตมาหลอกมาหลอนเราก็ได้ต้อง ม, มีอะไรที่เราสามารถพิสูจน์ยืนยันได้ว่าวิญญาณ น, นี้เป็นวิญญาณจริงเข้ามาจริงไม่ได้เป็นของที่จิตเราปรุงแต่งขึ้นมา ถ้าเรายัางยังไม่มีปัญญาหรือว่ายัางยังไม่มีกำลังที่จะควบคุมจิตได้ก็อย่าเพิ่งไปสนใจมาควบคุมจิตให้นิ่งให้สงบก่อนดีกว่าเพราะพวกนี้ไม่มีประโยชน์กับจิตใจอาจจะทำให้ใจหลงแล้วใจเสียสติได้เกิดความกลัวขึ้นมาได้เวลาเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาก็ให้ใช้สติคือพุโทโธพุโทโธ ระงับมันดีกว่าอย่าไปสนใจมันไม่มันไม่หมดก็อย่าไปสนใจมันให้เราอยู่กับพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวถ้าจิตสงบแล้วมันก็จะหายไปออต้องขออภัยคะ่ะหนูอาจจะตัดทอนมากไปคือเขาบอกไว้ว่าออวันที่เขาสัมผัสกับเทวดาได้เต้ยนเสียงเตือนทำให้หนูรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วเกิดขึ้นจริง อยู่ที่ทํางานก็เห็นวิญญาณเจ้าที่มาให้รับรู้และเดินชนกันได้ค่ะเวลามีอะไรเดือดร้อนก็บอกให้เขาช่วยได้ค่ ะ, ะก็อย่าไปอย่าไปพึ่งสิ่งเหล่านี้มากเกินไปเพราะมันไม่แน่นอนเดี๋ยวเกิดวันไหนมันพึ่งไม่ได้เราจะเดือดร้อนให้หัดพึ่งตัวเองดีกว่าหัดตาหีอัตนโนนาโถดีกว่า คำถามจากทางไลน์ค่ะจากคุณนันทวันอยากถามว่าเลี้ยงสุนัขสุนัขมีเห็บเยอะมากถ้าเราให้สุนัข ก, กินยาหรือฉีดยาแก้เห็บจะผิดสิ่ข้อหนึ่งไหมเจ้าคะถ้เห็บตายมันก็ผิดเลยทำให้เห็บตายมันก็ผิดคคำถามจากคุณทเนศค่ะคำถามที่คนแก่โกรธจะมีโรคดังนี้จริงไหมครับปวดหัวไมเกรนตาแห้งเป็นต้อหน้าเป็นฝา น่าเป็นฝ้าหายใจติดขัดใจสั่นเป็นโรคจริตโรคประสาทจริงไหมครับอไปถามหมอสิเราไม่ได้เป็นหอ้อคคำถามจากคุณปานมขอโทษค่ะกับเรียนสอบถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเพื่อนของข้าพเจ้าไม่กินข้าวเย็นแล้วเขมามักจะบอกว่าการไม่กินข้าวเย็นเวลานั่งสมาธิจะทำให้ตัวเบาเวลาเข้าสมาธิจะทาให้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกอยากจะอดข้าวเย็นบ้างเวลาเข้าสมาธิก็จะได้เข้าได้ง่ายขึ้นเพราะข้าพเจ้าคิดว่าพระท่านหรือผู้ถือศีลสิบก็ไม่กินข้าวเย็นน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างไม่ทราบข้าพเจ้าเข้าใจถูกต้องไหมคะการไม่กินข้าวเย็นก็จะตัดปัญหาเรื่องของความง่วงนอนได้เรื่องความขี้เกียจได้ถ้ากินข้าวเย็นมันอิ่มมากๆก็ขี้เกียจนั่งก็จะสับประงกตมันจะหลับ แต่มันจะไม่ได้สงบเพราะการไม่กินข้าวเย็นอย่างเดียวมันจะสงบไม่สงบนี่อยู่ที่สติถ้าไม่มีสติถึงแม้ไม่กินข้าวเยน็นมันก็สงบไม่ได้จิตก็ยังคิดอยู่ปรุงแต่งอยู่ได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่ง่วงเท่านั้นเองการไม่กินข้าวเยน็นมันจะแก้ปัญหาเรื่องของความง่วงนอนเรื่องของความขี้เกียจได้จะ ต, ต้องมีสติจิตถึงจะสงบคำถามจากคุณรัศเรศค่ะ ออนุญาเรียนถามเหตุใดองค์ุรีมานฆ่าคนเป็นร้อยคนจึงสามารถบรรลุธรรมถึงอรหันต์ได้นี่คือธรรมที่เป็นอาการลิโกใช่หรือไม่ครับก็พอได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าสิ่งที่ต้องฆ่าคือกิเลสไม่ใช่คนถ้าอยากจะบรรลุธรรมนี่ต้องฆากิเลสฆ่าคนไม่บรรลุก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายจากการฆ่าคนมาฆากิเลสพอฆากิเลสหมดในใจก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ เหมือนคนคนตาบอดคิดว่าออไปทําสิ่งนี้แล้วจะจะได้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ทําทไปแล้วแทนที่จะได้กับกับเกิดโทษกับตนเองแล้วมีคนมาบอกว่าทํานี้ไม่ถูกต้องไปทําอีกอย่างหนึ่งพอไปทําทอีกอย่างก็ได้ประโยชน์อย่างที่ต้องการอันนี้ก็เหมือนกันองค์ุลิมาหลงทางพอเจอพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็บอกให้ไปในทางที่ถูก การที่จะไปฆ่าคนให้ไปฆ่ากิเลสฆ่าความโลภความโกรธความหลง่ฆ่าความอยากพาอองค์ุลิมานเข้าใจก็เปลี่ยนเป้าจากการไปฆ่าคนมาฆ่ากิเลสเพอฆ่ากิเลสหมดก็บรรุนเป็นพระอรหันได้คำถามจากคุณลินค่ะเงินสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างจริงหรือไม่เจ้าคะไม่จริงรอ่ะกับสร้างปัญหาขึ้นมาม า, มากมายกายกอง คำถามจากคุณธเนศค่ะกราบเรียนถามเรื่องสติครับมีญาติเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเขาเหมือนความจําจําความไม่ได้ทั้งหมดหลงหลงลืมๆื ม, มเหมือนคนไม่ค่อยมีสติอยากสอบถามว่าถ้าสมองไม่ปกติแล้วจะทําให้กําหนดสติไม่ได้คือมันเกี่ยวกันไหมครับสติกับสมอง อ, อ๋ไม่เกี่ยวหนะสตินี่สามารถมันอยู่ที่จิตสมองมันเกี่ยวกับเรื่องของความจําในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรส บางทีจะจำรูปเสียงกิ่นรดไม่ได้แต่สตินี่ร่างกายเป็นยังไงก็ยังฝึกสติได้อยู่คำถามจากคุณแม่หมวยเองค่ะ ข, ข้าพเจ้าได้นาเงินจากที่ลูกๆให้กับข้าพเจ้าไปช่วยญาติพี่น้องของข้าพเจ้าโดยที่ลูกๆเองไม่รู้หรือบางเรื่องลูกๆ ก, ก็ไม่ค่อยพอใจ อยากสอบถามพระอาจารย์ว่าข้าพเจ้าบาปไหมคะถ้าเงินนั้นลูกๆให้ข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้ากลับไปให้ผู้อื่นต่ อ, อไม่บาปหรอกเป็นบุญเก็บไว้น่ะไม่ได้บุญถ้ า, าไปให้คนอื่นได้บุญแล้วไม่บาปหรอกนอกจากว่าเอาเงินนี้ไปไปซื้อเหล้ากินเนี่ยถึงจะบาปแต่ถ้าเอาเงินไปช่วยเหลือคนอื่นนีนไม่บาปเป็นบุญแล้วก็ลูกไม่ควรที่จะมาเสียใจเสียดาย ควรจะอนุโมทนากับแม่เพราะมันเป็นเงินของแม่แล้วไม่ใช่เป็นเงินของลูกลูกให้แม่นี้ถือว่าเงินนั้นไม่ใช่เป็นของลูกแล้วเป็นของแม่แม่จะไปใช้อะไรอย่างไรก็ได้ลูกจึงไม่ควรที่จะมาโกรธแม่ด้วยเสียใจกลับจะดีใจว่าเออแม่ใช้เงินในทางที่ฉลาดที่สุดคือการทําบุญเนี่ยเป็นการใช้เงินที่ฉลาดที่สุดเอาไปเที่ยวไปกินไปดื่มถึงแม้จะได้ความสุขแต่มันก็มีโทษตามมาด้วยเพราะมันจะติด ติดแล้วเดี๋ยวก็จะมาขอเงินลูกอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไปทําบุญแล้วไม่ติดทําบุญมีเท่าไหร่ก็ทําไปพอหมดก็จะไม่มีความอยากจะทาบุญตามมาเพราะใจมันอิ่มใจมันมีความสุขแล้วคำถามจากคุณจันผาค่ะคนส่วนใหญ่ต้องเวียนไหวตายเกิดสูงสูงต่ำต่ำพระอาจารย์พอจะมีความรู้ความเห็นอะไรเพื่อปลูกฝังใน จ, ใจิตใจแล้วไม่ไปเกิดในอบายภูมิ อาบาัยเกิดจากการทำบาปห้าข้อไงี่ยขาสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดดื่นสรายาเมาถ้าไม่กระทำบาปห้าข้อนี้ได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอ ส, สูรกายไม่ต้องไปตกนรกแล้วถ้าทำบุญได้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆ<ำ> อ, อ, อีกข้อหนึ่งอีกสองข้อ คำถามจากคุณสุดาวันค่ะบิดามารดาที่สิ้นไปแล้วนำไปฝังไม่ได้เผาจะทำให้วิ ญ, ญญาณกำวงกับร่างแล้วไม่ยอมไปเกิดหรือเปล่าคะไม่หรอกไม่เกี่ยวกันจิตตายตายไปดวงวิ ญ, ญญาณก็ไปตามอำนาจของบุญของบาป ท, ที่ทําไว้ตามไปตามอำนาจของความอยากมันไม่มาเสียดายร่างกายเพราะรู้ว่าร่างกายนี้ใช้ไม่ได้แล้วเหมือนคนที่ตัวสับมือถือเสียแล้วก็ไม่กลับไปสนใจ อยากจะไปดูของใหม่ในร้านมากกว่าไปดูเครื่องใหม่รุ่นใหม่ของเก่านี่มันเสียก็โยนทิ้งไปแล้วกายยาวไปก็ไม่สนใจแนะล้วร่างกายนี้มันตายไปแล้วจ้าไปเผาไปฝังเอาไปผ่าเอาไปเอาเอาบริจากเอาวิทยาให้ใครมันไม่เกี่ยวกับดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณมันไม่สนใจแนละ้วมันจะสนใจว่าไปหาร่างกายใหม่ได้ที่ไหนได้เร็วที่สุดนี่มันก็จะไปหาของมันคำถามสุดท้ายนะคะจากคุณพอลค่ะ หากลูกกับแม่สองคนเข้านิพพานไปด้วยกันทั้งคู่หลังจากที่เขาทั้งคู่นิพพานไปแล้วเขาจะจํากันได้หรือเปล่าครับหรือว่าว่าเขาทั้งคู่เคยเป็นแม่ลูกกันมาถ้าเขาติดต่อกันได้ก็จําได้อย่างพระพุทธเจ้ายังจําแม่ได้แม่อยู่ในสวรรค์ก็ยังไปหาวิมหาแม่ได้ติดต่อกับแม่บุญสวรรค์ได้ยิง่งถ้าติดต่อกันได้ก็ก็กแสดงว่าจํากันได้ถึงจะไปติดต่อกัน แต่เรื่องเรื่องนี้มันใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตคนที่ไปถึงนิพพานแล้วจะไม่มีความอยากที่จะไปเจอใครแล้วเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้ที่คิดแบบคนมีกิเลสก็คิดยังอยากจะเจอคนนี้คนนี้อยู่คนที่ไม่มีกิเลสแล้วไม่สนใจเจอก็ได้ไม่เจอก็ได้เอาแล้วนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ